ขอจเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบอยศัตว์ผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่า น, านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพบปะ ก, กันเพื่อสนทนาธรรมถามตอบคำถามธรรมในด้านปฏิบัติเสียงสมาธิปัญญาทานสิ่งภาวนาวันนี้เราก็จะเริ่มตอนที่ออจะแม้กับแชตที่ รับนวมัสการพัชยา์ครับอ่าเป็นยังไงบ้างโอเคอ่าวันนี้ไม่มีคำถามครับไม่มีคำถามมีการบ้านอะไรไหมไมาส่งไหมก็ น, นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกคืนนะนั่งได้กี่นาทีก็ <c oughs> ๆๆช่วงนี้มีโรงเรียนก็อาจจะนั่งแค่ยี่สิบนาทีสิบห้านาทีอะครับอยาให้ตั้งไว้ยี่สิบได้ไหม <c oughs> ได้ครับอ่า มันอยากจะลกขับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแล้วสวดนิติปิโสไปภายในใจต่ออยากเพิ่งลุกนั่งพยายามไล่กันไปถึงให้ขึ้นสามสิบนาทีให้ได้จะถอยลองนะดีไหม ย, ยิ่งนานยิ่งดีนะยิ่งมีความอดทนมากเลยนะครับออานั่งแล้วมันอยากจะลุกขับสวนดนิติปิโสไปก็ไนคนะขับพุโทโธไปก็ไดนะ้อยากเพิ่งยุ คนะรัาต่อไปเวลาที่เรามีอะไรอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ต้องพุโทโธมุทโตสวยที่วิโสไปแ้วเราไม่จะสบายครับครับนะใจนะพอใจครับพอใจครับโอเ ค, คุณแม่มีคาถามห่าไม่มีค่ะตอนนี้เอ่เดินจงกรมเพิ่มทุกวันค่ะเช้าเย็นค่ะพะอใจค่ะ มีสติมากขึ้นพยายามเดเนินให้มากนะยังไปวัดไม่ได้ก็ต้องทําบ้านให้เป็นวัด น, นะเอ่ดีนะบ้านอยู่ที่ใจอยู่ที่การปฏิบัติสติปัญญาสมาธิถ้ามีการปฏิบัติสติสมาธิปัญญาก็ถือว่าที่นั่นแหละคือวันะถ้าไปอวันแล้วไม่ปฏิบัติสติสมาธิปัญญาก็มันก็ไม่ได้ไปวันเนี่ย ข้าใจนะท่นเข้าใจโอเคเรีนไปที่ขอคุณพระอาจารย์ครับไปที่ท่านต่อไปคือคุณหมอพิเชษอยากกอธรรมะขอบรุณการพระอาจารย์ครับยอมได้อ่านข้อธรรมะของพระอาจารย์ได้กล่าวถึงจิตอวิชชาว่าเป็นศูนย์ประชาการของกิเลสขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับ อวิชาก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้เป็นบก ส, สูนย์ถ้าพูดตามหลักของการต่อสู้ของทหารก็มีกองบชการฐานสูงสุดที่สั่งการให้ไปทั้งสามละสามสี่เหล่าทัพฐานเรือฐานบกฐานอากาศการทาสมครามนี้บกศูุย์นี้จะอยู่ในที่ที่มัน ปลอดภัยที่สุดที่อยู่ใกลจากสนามรบสนามลบที่จะอยู่กับพวกพวกการั้นการที่จะไปเข้าไปถึงบกสูงสุดได้นี่มันยากว่าเขาจะมีที่ป้องกันคุ้มกันอย่างเข้มแข็งเข้มแข็งต้องทำลายพวกที่คอยคุ้มกั น, ก น, กนพวกพวกเราทัพต่างๆ ก่อนจะเข้าไปถึงตัวบอกอสูงสุดได้การปฏิบัติเราก็เวลาจะข้าเข้าไปปากอิเลตตัวที่เป็นบอกอวงข้าปพัญชาการสูงสุดนี้แล้ววิชาเราก็ต้องผ่านด่านต่างๆก่อนนะด่านของทานความตณีก่อนนะบำเพ็ญแก่ตัวกั ทำทานเพื่อรักคามตนีแลักควเป็นแก่ตัวแล้วก็ผ่านศีนนกลการเกเที่ยังอยากจะทําบาปอยู่อทํากําจัดมันพวกกิเลสที่อยากจะทําบาปฆ่าสนักทรัพย์เพื่อผิดเพืเ่อนี้ด่านศีลห้าด้ก็ต้องไปที่ศีลแปดทำกำจัดกิเลสที่ชอบหาความสุขจากโลกเสียงกลื่นรอดต่างๆ แล้วก็ไปสู่กับกิเลสที่ชอบปรุงแต่งพาใจให้คิดเลือกเปื่ยด้วยสติฮะมาอยู่ความคิดปรุงแต่งแล้วก็ให้จิตเข้าสู่ความสงบให้สู่ความเล่งนกิเลสเนื้อบอกก่อส่ว น, นมันจะอยู่ในที่นั้นอยู่ข้างในที่ในความสงบนะแต่ ขั้นของสมาธินี้เรายังจะไม่เห็นตัวของกิเลสตัวบอกอสุดสุดเพราะว่าเราเวลาเข้าไปมันจะถูกปิดมัญญะถูกกดไว้ด้วยกําลังของสติของสมาธิต้องขึ้นไปที่ขันญญขข้นปัญญาพอขึ้นไปปัญญาเราก็จะไปทําลายกิเลสที่ที่คอยหลอให้เราไปยึดไปติดกับ ร่างกายเออมตนาออแล้วก็ยึดจับความสวยความงามของร่างกายพอทำลายอ้นนี้ได้นี่ก็จะเข้าไปในในจิตนะเข้าไปตัวจิตที่ที่ตั้งของของบกสูงสุดออในนั้นก็จะมีมีห้ามีมี 5, มมกเกลอยู่ห้าตัว สังโยนตัวความติดในรูปประชาญนะรูปประชาญความถือตัวมานะมุทะจารความฟุงสร้านในการที่จะคอยที่จะค้นหาบอกก็ส่งเสรดมไปอยู่ที่โนนมันบางๆวันทีก็ฟุ้งขึ้นมากลายเป็นนิวรนไปนก็ต้องนะครับความฟุม้งร้านพัก เข้าไปในสมาธิภาจิตก่อนเวลาพิจารณาทำเกินมันก็จะทำให้จิตพุ่งได้พอภาจิตนะพอปล่อยสังโยชน์มาหนะ้าปล่อยอรุปราคาอรุปราคาไนดะ้ปล่อยวดตตจากได้ก็จะไปเจอวิชาอรุตชาก็จะเป็นตัวที่ สว่างสวยน้าคือสว่างหน้าคือ ส, สว่างหน้หน่ารักหน้าชื่นชมก็ไปไปปกป้องมันเราคิดว่านี่คือจุดสูงสุดของของการปฏิบัติคื อ, อพระ น, นิพพานแต่มันก็ไม่มันไม่ใช่มันเพราะว่ามันธรรมชาตินี้มันก็ไม่เที่ยงมีสว่างสวายแล้วมันก็มี มันก็เช้าลงได้ถ้าไม่ไ็นพิจารณารอบคอบก็จะไปไปไปรักษามันไปปกป้องมันให้มันสว่างสวัยด้วยสติได้ดปัญญาแต่ถ้าพิจารณาที่ว่าถ้ามันเป็นของที่มันเลิกที่ประเสริฐที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมัน ยังไปเป็นผู้คอยคอยอรักขามันถ้าเราไปอรักขามันก็เท่ากับว่าเรายังยังทากิจอยู่กิจ ต, ตรงเรายังไม่เสร็จนะก็เพิจารณาว่าตัวนี้เป็นเป็นตายรับเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยมมีเกิดมีดับมีสว่างมีเสื่อมจากคามสว่างมีความสุขและความสุขนั้นจะลดน้อยลงได้ ก็ต้องปล่อยปล่อยให้มันเสื่อมไปอปล่อยให้มันเสื่อมไม่ไปทำอะไรมันมันก็ถึงเวลามันก็หายกันไปตายแล้วที่ส่วนที่เหลือนั่นะก็คือของแท้ของจริงของที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เรวัตใจบริสุดบริสุดเอ์อิชากิเลส ท, ทั้งไลายทั้งหลาทั้งพวกก็ถูกทำลายหมดสิ้นไปบ่าวก็สูงสุดก็ถูกทำลายไปยังผู้ที่จะมาทำฆ่าศึกษ์ทาทำาสึกกับเราก็หมดไปไม่มีกรไม่มีงานต้องทำอีกนล้วถ้านก็บอกอุสิตตงรเรามจารียมง ภารกิจของพรอมจันทร์ในสิ้นสุดลงแล้วกิจอื่นที่เหนือกับสิทธ์กิจนี้ไม่มีแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วทำอะไรไม่มีอะไรต้องทำเพราะค่าศึกษาตัวทุกถูกทำลายลากไปหมด ว, วางอาวุธได้สติปัญญาที่ใช้ตาหามหาันกักีเลนก็รู้จะไปสู้กับใครก็นานที่ชนะเสร็จแล้วก็เอาเอาวุธเก็บเข้า ทางแสงไม่ต้องพกพาไปไหนแะล้วไม่มีฆาตศึกษาดูที่จะมาคอยทําร้ายแล้วทําร้ายเราอันนั้นอยู่แบบอิสระอยู่แบบไม่ต้องคอยเฝ้าเหมือนเมื่อก่อนจิตที่สาดบริส่วนนี้ไม่ต้องคอยเฝ้าอะไรนะไม่มีอะไรที่จะมาทําให้จิตนี่ทุกข์ได้ต่อไปแต่ก่อนจะถึงจุดนี้จะต้องมีสติปัญญาคอยเฝ้า ดูทุกเหยาะดเหยายการเกิดใหมของจิตว่ากำลังผลิตความทุกข์ขึ้นมาหรือเปล่ปาแต่พอประกอสูงสุดของกิเลสถุกทําลายหมดแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาผลิตความทุกข์ให้กระจายต่อไปก็ อ, อยู่แบบไม่ต้องทํำอะไรไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องอะไรไม่มีใคร เหมือน บ, บ้านเมืองเราปราบโจบรสล้าให้หมดสิ้นไปแล้วเราจะไปไหนพยายามข้ามคืนไปคนเดียวอะไรก็ไม่หวาดกลัวไม่มีภัยอะไรอะไรที่หลุดพ้นจากความทุกก็เป็น้ไม่ต้องไม่ต้อ ง, องาคอยวิตกกังวลว่าจะมีทุกข์มีความกังวลมีอะไรต่างๆมีความหวาดกลัวมีอะไรไม่มีบางครั้งเอา ต้องทำศึกตั้งแต่ขั้นต่ำไปขั้นทานขึ้นไปขั้นทานกับจกักรกิเลสขั้นต่ำความเห็นแก่ตัวความความหงุดในประโยชน์สุขของตัวในทรัพย์สมบัติยเงาของเงินทองนะเป็นตัวที่ทําให้ใจไม่ไม่สุขเป็นตัวที่ให้ใจทุกข์วิตกกังวล หลวงใหญ่แล้ก็ทำไปปฏิบัติไปทานสินภาวนาทานสินสิสนแล้วพอได้สินแปดก็จะเริญสตินั่งสมาธิได้สมาธิก็ค่อยจริญปัญญาเพื่ออิเลที่ละเอียดคือสัโ ย, สออสโยชน์สิบข้อพะสัโยชน์สิบถุกทำลายหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือ ้ารศึกษาตวัวก็ตายหมดแล้วครับทหารก็ไม่ต้องสูง้รบอีกต่อไปพอจะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วก็ประจานอเองัอ น, นก็ปฏิบัติไปเราติดกับกิเลสข้อไหนแล้วก็ต้องแก้กิเลสข้อนั้นไป ใจอยากหมุเงินอยากเล่าอยากได้เงินอยู่นี่ก็ต้องแก้ตัวนี้ก่อนเงินทองไม่ดับความทุกข์ไม่ได้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เงินทองใช้ได้ก็แค่ซื้อปัตรใจสีให้กับร่างกายตรงนั้นก็เป็นเครื่องมือของกิเลสเรื่องกิเลสก็ไปซื้อความสุขทางตาหูจมุกลิ้นกายเงินองไม่ใช้เงินทองไปไหนทาง ทางการมาฉันท์ทางในทางกามอยากเห็นเห็นเสื้อผ้าสวยเห็นรองเท้าสวยเห็นกระเป๋าสวยเห็นอะไรอยากได้กิเลสข้งนั้นนอกจากว่าถ้ามันเสื้อผ้าไม่มีไฟไหม้บ้านไม่มีเสื้อผ้ามีชุดเดียวติดตัวอยู่นี้กนะ็ต้องไปซื้อใหม่มาใส่รองทาง้าแตถ้ามีอยู่เต็มบ้านกันช่องอันนี้มันเป็นกิเลสข้างนั้น เวจะซื้อข้าวซื้อของอะไรต้องพิจารณาว่าจําเป็นไม่จําเป็นถ้าจําเป็นก็ไม่ไปเกี่เลยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ เ, ก, มเกีเลโอเคนะท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณครับรอาจารย์คุณซาติกาชัยนาะต่อเออมาฟังคำของอาจารย์นะโอเคดีตามไปเรื่อยๆจะได้เข้าใจขึ้นไปเรื่อยๆ ตามที่เคยได้ยินแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นตามลำดับค่ะค่ะโอเคไปด้วยกันพอไม่ไรวขอบคุณอนุกุณกลับนรสการพระอาจารย์ค่ะกับนรสการพระอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีค่ะวันนี้ก็เข้ามารับฟังธรรมค่ะ โอเคไม่กล่าวสวัสดีเฉยๆครับได้เห็นได้แต่ว่ายังอายใจได้อยู่ก็โอเคแล้วดีหมพยายามหายใจเข้าแล้วพยายามหายใจออกอยู่อยู่ท้ายใจแล้วนะมันรับประกันได้ไม่ตายถ้าม่อยู่หายใจถ้าหยุดหยุดหายใจแบบปุ๊บเดียวก็โอเคนะคะเรียบเรียบง่ายดีหวังว่าจะได้แบบนั้นนะโอเค การรักษาการน้ำสวดครั บ, บ, บ, บคุณหมอณพิณาคุมอรรมโมกล่าว ม, มั ส, ส ก, การพระอาจารย์เจ้ค่ะก็โ<ม>ยงก็เ อ, อฟื้นตัวจากอาการป่วยได้สักเก้าสิบห้าเอร์เซ็นจาค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าในช่วงที่ป่วยเนี่ยรู้สึกว่าเราเหมือนเห็นกายได้ชัดขึ้นนะเจ้าคะพระอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบอาการปวดขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรต่างๆรู้สึกว่ามัน เห็นชัดกว่าตอนที่เราปกติที่เราสบายดีเราอาจจะไม่ไม่เห็นมันชัดขนาดนี้นะสุาขาภาิจานทร์ mm hmm. เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เออเราก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ควรที่จะไปทุบไปอะไรกับมัน mm hmm. เหมือนกับเราเหมือนใส่เสื้อผ้าอีกชั้นหนึ่งกลายเป็นเออเป็นอีกชั้นนึ่งนะสุาขาภาิจานทร์สค่ะ mm hmm. so, ก็เออแต่ว่ามันก็มีอุสซักอยู่เหมือนกันเช่นเรื่องของอาการไออะไรต่างๆที่แบบว่าขณะที่เราปฏิบัติเราอาจจะกําลัง ระดับความสงบอยู่อะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันก็เหมือนมารบกวนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราป่วยมากกว่านี้อะไรเงี้ยมัน ก, มนก็มันก็อาจจะยากใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์นในการที่จะรวมจิตนะตอนนั้นคือเราควรที่จะแบบเหมือนสั่งสมไว้ล่วงหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ถ้าขั้นสมาธิมันก็จะอาจจะลําบากเพราะร่างากายมันอาจจะคอยลบควนแต่ถ้าอยู่ขั้นปัญญากำเราก็สามารถใช้ปัญญาพิจารณา ไป ว, วางร่างกายไปได้ไเดินไม่ต้องทุกกับมันใจก็สมมนุกได้อดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้าเรารู้จักใช้ปัญญา อ, อ๋อเจ้าค่ะก็คือเน้นเหมือนการเดินปัญญาเอาใช่ไหมเจ้าค่ะทาจายาอถ้าเข้าสมาธิไม่ได้มันก็ต้องใช้ปัญญาดูกับความทุกข์ทิ้งถ้ามีความทุกข์ก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญา เจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าเมื่อเมื่อจุดที่เราไม่ได้ไม่ได้ทุกกับอาการป่วยตรงนั้นเราก็เหมือนดูมันไปอแล้วก็อยู่กับมันไปถูกไหมเจ้าค่ะถ้าไม่ทุกขแสดงว่าเราไม่มีความอยากให้อาการมันมันหมดไปหรือหายไปเราปล่อยให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันมันจะหมดก็หมดเองมันเองเมื่อมันยังไม่หมดก็ปล่อยมันอยู่ไปเหมือนฝนฝนตกถ้าฝนยังไม่หยุดก็ปล่อยมันตกไป เราก็รอยห้ฝนหยุดใจแล้วเราก็าออกไปนอกบ้านไปทำอะไรตอนนี้ฝนตกอยู่แล้วา่็อยู่เฉยๆ ร, รอไปก่อน้ค่ะชตรงที่ร่างกายทำอะไรไม่ได้เราก็อยู่เฉยๆรอไปก่อนพกรางกายไปรักษาร่างกายไปจนกายมันจะหายเจ้าค่ะก็คือปฏิบัติวางจิตคล้ายๆกับเวลาเจอเวทนาในสมาธิอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็หนอ่งนั้นนะเนงเวลาเจ็บ ก, ก็คือทุกขเวทนากเกิดที่เราฝึกที่เรานั่งฝึกสมาธิลเวลาเกิดทุกขเวทนาก็เป็นการซ้อมซ้อมฝึเวลาที่เราเจ็บไขยได้ปวดม่นจะเจออาการเจ็บปวดด้วยตามร่างกายกนะที่เราไม่สามารถที่จะให้มันหายไปได้เราก็ต้องฝึกใจสอนใจให้หอยู่ไปกับมัน มันจะหายก็เดี๋ยวมันก็หายถ้ามันไม่หายก็ป่านมันยืนนั้นไปเราทำอะไรไม่ได้ก็บไม่ยอมทำก็นอนไปนั่งไปหรืออะไรไปแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับมันเจ้าค่ะเจ้าค่ะพี่ทุกข์พออยากจะทํานูน่นทํำนี่อยักงทุกอยากแก้หายหรือว่า้เดี๋ยวได้ไปทํางานเดี๋ยวอยากไปนูน่นไปนี่ใกล้ปีใหม่แล้วเดี๋ยวมีงานเลี้ยงมทุกข์ความอยาก เราพิจารณาว่าร่างกายมันนี้มันทําอะไรไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้นเป็นอนัตตาเราก็ต้องรอให้มันเฟื้นถ้าไม่เฟื้นก็ไม่เฟื้นไม่เฟื้นก็อยู่อย่างนี้ไปอยู่ประมาณไปหรือถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปะก็จบมันก็ยังไม่ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากจะใช้ร่างกายเมื่อมันใช้ไม่ได้ก็ปล่อมัน ไปจนกว่าจะใช้มันได้ไม่ใช้ไม่ได้ก็ไม่นองใช้มันเจ้าค่ะเราไม่ได้เป็นคนร่างกายเราเป็นคนใช้ร่างกายเป็นคนขับรถนะรถมันเสียมันม่ต้องซ่อมว่าวก็ปั่นไปซ่อมในอุ่นบางทีอุ่นไม่จะซ่อมให้เสร็จนะป้าสม่าเกิดดไนเราแล้วก็ขับรถไปไหนมาไหนได้ เรเป็นคนขับร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ต้องไปทุกขเพราะวาที่ดูเพราะว่าเราอยากย้ายร่างกายมันรับใช้เราในตอนที่มันรับใช้เราไม่ได้เราเไม่ไดทุกข์จงข่าวแพชัน อ๋อแล้วก็คือเมื่อสักผู้ที่พระจันทร์เจรนาเทศว่าคือเรื่องของขั้นสมาธิมันกดกิเลสอยู่ใช่ไหมเจ้าคะทีนี้ถ้าในชีวิตเนี่ยคือถ้าเราสามารถนิ่งงียกับอะไรที่เข้ามากระทบนะเจ้าคะ่ะอันนี้เราจะทราบทราบได้อย่างไรไหมคะว่าว่าเอ่อเราเกิดปัญญากับสิ่งนั้นแล้วจริงๆหรือว่ามันเป็นสมาธิที่ ท, ที่มันกดอยู่นะเจ้าคะ่ะหรือว่าเราต้องก็น่ญญต้องเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นตายรักแล้วก็เป็นปัญญาถ้าเราไม่เห็นเราเพียงแต่ ใช้สติข่มใจมันก็มันก็ยังไม่ยังไม่ใช่ปัญญามันใช้สติเช่นใช้บริกรรมพุทโธหรือใช้สติให้ใจนิ่งๆรับรู้ไปเจ้ขาข่าพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็คือคนที่จะแบบคอยหมั่นพิจารณาใช่ไหมจเจ้าข้าพระาจ้าถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาไปนะทุกอย่างมันเป็นตายรัก <c oughs> ถ้าเราอยากให้มันเป็นของเราเราก็จะทำให้มันทุกมันก็จะทำให้เราทุกเพราะมันไม่ได้เป็นของเรา เดี๋ยวมันจะต้องจากเข้าไปหรือเราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่เป็นไปตามที่เราสั่งมันก็ทําให้เราทุกข์ได้แล้วก็ต้องยอมรับว่าเราสั่งมันไม่ได้บางทีมันไม่สบายปุ๊บสั่งให้มันหายปั๊บไม่หายหรทำไง เจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็คือก็คือใ น, นในช่วงนี้ก็โยมก็รู้สึกว่าสัมผัส ค, ความสุขจากความสงบได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็มันก็เหมือนตัดความอยากในชีวิตอะไรลงไปได้ได้ไดเยอะขึ้นนะเจ้าค่ะอาจารย์ดีตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปนี่เป็นความสุขแบบยาเสพติเสร็จแล้วอย่าติดนะไม่ไเสพแล้วจะถูกนะ เจ้าค่ะพระอาจารย์ ก, ก็ใจก็น้อมมาทางในการปฏิบัติเ ม, มื่อมีเวลาว่างมากยิ่ ง, งขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์จบจากการทําใจให้สงบดีกว่าไม่มีพิษไม่มีภัยและไม่ยุ่งยากไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรนอกจากสติปัญญาของตัวเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ อย่างตอนที่ที่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรที่ต้องใช้ความคิดเราก็เอ่อเหมือนดึงให้มันมาอยู่กับความสงบโดยที่เราเข้าสนใจภายนอกน้อยลงอะไรเงไรไี้ยไปจุดไปได้ใช่ไหมครับใช่อย่าสนใจออกนอกดึงใจเข้า ข, ขา้างในก็เสื่อมควสงบเ ส, ส, ส, ส, สื่อมความเดี๋ยววุ่นวายเนี่ยอย่าคิดถึงเรื่องนั้ น, นคิดถึงเรื่องนี้นเราจะวุ่นวายขึ้นมาอยากพูดสิบห้าให้รู้ใชใช่ ดูวนันอันนี้เราไม่มีอะไรทําแล้วก็ดูลงไปหมืออะไรไปก็ได้ดูการสามสิบสองบรรทายแไม่ไม่ต้องดูอะไรก็ได้อยู่เฉยๆไปไม่อยาคิดอะไรเจ้าข่าวพระอาจารย์ไม่ทราบพระอาจารย์มีคําแนะนําในการที่จะเจริญปัญญาในในชีวิตเ อ, อ่ให้มยากที่ไม่จะตายร่างอยู่ได้หรือเห็นอะไรเห็นรูปเสียงกินแล้วก็เป็นตายแล้ว เห็นคนคนคนนี้ก็เป็นตายละเห็นรถคันนี้ก็เป็นตายละเห็นงานนี้ก็เป็นตายละไม่มีอะไรไม่เป็นตายละมันมีการซิ้นสุดลงเองมีการเจริญแล้วก็ระมีดังเป็นธรรมดาเจ้าค่ะอาจารย์รวมทั้งตัวเราตัวเราเองทุกอย่างทัง้งสัพเพสัเพเธรรมะธรรม พาวะรำทัง้งปวงค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็มีคําถามเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> อขอบพระคุณเช่นจ่าทุกมันปราบอะไรอยากสีราชาจับนมัสการเจ้าค่ะยังอยู่ที่ทำ ง, งานเจ้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ที่พระอาจารย์สอนเรื่องของบอกสูงสุดนะคะ ถ้าพูดถึงก็คือในเรื่องของการที่ทําให้เราปรับเรื่องสังโยชน์ใช่ไหมคะอเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดสังโยชน์ได้ปุ๊บแล้วเราสามารถที่จะที่จะทํากันบ้านหรือว่าทํางานให้มันรู้เสร็จแล้วเนี่ยหนูห น, หนูหนูมีคําถามนิดหนึ่งค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าว่าคนที่เขาสําเร็จสําเร็จวิชาแล้วอะค่ะแล้วเขาไม่ต้องทํางานอะไรนี่หมายถึงว่างานด้านจิตใจงานด้ในใา น, ในใจิตใจ งานทางรไางกายก็ยังต้องดูแลต่อไปอยังต้อง<ด>นั่งสมาธิารหรือว่าต้อ ง, องไม่แล้วจะนั่งก็ได้ไม่นั่งกไ็ได้แล้วแต่เห <ừ> um. มือนเหมือนกินยาแล้วโรคภัยคลายเจ็บภายแล้วคุนจะกินยาต่อก็ได้ไม่กินก็ได้ผลมันเท่ากันเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่จะไม่จะไม่เสื่อมหรือกลัดลงมาอีกมาอีกขั้นหนึ่งเพราะคือเป็นอย่างนี้ก็ค่ะหนู นูฟัคำสอนนี่่อไว้ได้ค่นวสนาทํบกลับบ้านแล้วกลับกุงเทพแล้ะกลับมาแล้วคพระอาจารย์กลับนวัสการค่ะค่ะก็วันนี้จริงๆจะมีเรื่องถามแต่ว่าพระอาจารย์ก็เทสไปแล้วเพราะว่าที่ไปคราวเนี้ยมันก็แบบว่ามันสงบนะพระอาจารย์แล้วก็มันพิจารณาแล้วมัน มัรู้สึกตอนแรกจะถามพระอาจารย์ถามว่าเอ๊ะพอเราพิจารณาไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮคือทำทุกอย่างมันเหมือนกันเลยคือเหมือนกับ ว, ว่าจิตตาหรือปรัชนาหรือประสาทมันก็คือสังญญอดเรื่องบนใช่ไหมครับจะถามพระอาจารย์เพรา ะ, ะอาจารย์ตอบไปแล้ว<ม>อเข้าใจถูกต้องไหมพระอาจารย์ก็เลยยิ่มีกําลังใจเลยพระอาจารย์ <Okay. S 2> อ่าก็ครั้นี้ก็ก็ ก, ก, ก็ก็คือว่าคอนเฟิร์มว่าเอาไปเดินเราไม่กลัวแล้วก็เบญนาก็อยู่กับมันได้มือที่แบบ สักพักเลยก็แบบเละไปหมดแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ยาอะไรนะคะพระอาจารย์ก็ไม่ไม่ไม่คุกเลยค่ะอาจารย์รู้สึกว่าเออมันอยู่กับพัฒนาได้ทางกายได้ค่ะวระอาจารย์ทำไม่ถูก <c oughs> ก็กลับมาทําต่ อ, เ, อ, อเดี๋ยวเดือนหน้าแฟนอาจจะไปด้วยนะคะพระอาจารย์เขาชีโอเดี๋ยวเขากำลังตั้งเขากําลังไม่ได้บังคับนะพระอาจารย์เขาก็อยากทําของเขาเองก็แล้งแต่เขาตัวใครตัวมันใช่ก็บอกเขาว่าอัลิอัลลอฮ์นาโถนี่ดีมากเลยนะคะที่พระอาจารย์สอนคําสอนพระอาจารย์จะเข้ามาในสมองตลอด ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์มากมาเลยค่ะยังรักษาความสงบแล้วก็ความสุขใจได้แล้วก็ทําต่อพระอาจารย์ค่ะโอเคขับนอนไดีสุเรนใช่ไหมดาวไม่ถูกเลยครั้งนี้ถูกแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์กล่าวนาัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคเห็นไปอุดรคุณแนน กลัน้ำมาทำ ก, การกับพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคาถามค่ะที่วันตอนที่ว่าตามวันตายเขาจะทำซุ้มประตูอะไรเขาเหรค่ะซุ้มทางเข้าค่ะเป็น<ม>หลวงพ่ออินทวายท่าเนเป็นคนทค่ะเขยังไม่มีวันจบนะเดี๋ยวจากซุ้มเาทำแล้วตายค่ะ <c oughs> ไม่ได้ไปเลยค่ะมันคันมือมาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาแป้ง น, นต่อ น, นี่ <c oughs> เดี๋ยวสักพักหน้าต้องซ่อมแล้วิมันเก่าแล้วนี่ ค่ะไปเรื่องกาวัดถูกมันก็อย่างเนี้ยไม่มีวันจบค่ะงานทางโลกทำไปจะมาตายก็ไม่จบมีให้ทําอยู่เรื่อยนะคะอันนั้นก็นปเป็นเรื่องของพวกวัดถูนิยมไปค่ ะ, ะเราทํามานิยม ก, ก็เอาทำมาค่าะเห็นหลวงพ่อสงบมาสร้างวัดอยู่ ที่จงังหวัดเออที่อำเภอภุมิพม่าปีอยู่นะคะแต่ลูกยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยะ ค, ะเค่ะคช่ถ้าสร้างเพื่อปฏิบัติก็ดีแต่สร้างเพื่อสร้างมันก็ไม่ดีค่ะค่ะโอเคสร้างเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบั <c oughs> ติ <c oughs> กันใช่จะค่ะแต่เธอค่ะอย่าไปใส่บาตรเดี๋นะคะ <c oughs> อ, ะอะ จะไปใช่บาทนะคะแต่ว่ายังยังไม่พร้อมค่ะใช่บาททิพไปก่อนก็ได้จ้าทำไมนี่เขามีบริการออนไลน์ใส่บาทให้ <S 2> <s 2> อยากไปเห็นตัวจริงอีกรอบค่ะเออปาวคนดี่ไปด้วยเขาบอกว่ากับพระอาจารย์และพระอาจารย์เป็นกับความเมตตาค่ะให้เขาได้เห็นตัวอย่างค่ะ ก็จะได้มีกำลังใจปฏิบัติธรรมค่ะโอเคครับขอบพระคุณค่ะอาจารย์ต้ทระผมแลนนี้เรกอาจารย์ถกอไว้เนี่ยอาจารย์เนี่ยอันนี้ยังสอนอยู่เปล่าสอนอยู่ใช่ไหมสอนสอนอยู่ครับครับครับวันนี้มีคำถามเรื่องการปฏิบัติครับพอดีว่าปกติเนี่ยคือผมนั่งสมาธิเนี่ย อ่ามันจะมันจะไม่ค่อยง่วงคือมันก็มีสติรับรู้ดีแต่ว่าสิ่งที่เกิด ข, ขึ้นคือผมไม่สามารถเข้าสมาธิให้มันแบบเข้าไปลึกๆให้มันไปสงบนิ่งอยู่ได้อะครับก็เลยอยากจะเรียนถามขออุบายว่าถ้าเกิดแบบเราอยากจะนั่งสมาธิเพื่อให้แบบจิตเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนที่จะมาพิจารณามิปัสสนาเนี่ยอันนี้เราเราต้องทอํายังไงครับเมืเรายังไม่ต่อเนี่ยสติเรามันขาดจอดเกิน มันก็เลยไม่สามารถดึงจิตได้เข้าสมาธิได้แรงมันไม่พอต้องมาฝึกสติก่อนมาเน่าถ้ ง, งคอยก็โฟกัความคิดก่อนอย่าปล่อยให้ใจคินเรื่อยไให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธหรือให้อยู่กับการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวในเยื่บทต่างๆของร่างกายในการกระทำอะไรต่างของร่างกายไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นเคานี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นน ให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าจะมปจะต้องคิดก็ได้มีสติอยู่พาิดและคิดเท่าที่อยากเป็นคิดเสร็จก็หยุดคิดแล้วพอกลับมาวอกหุงใจให้อยู่กับวุตโธแล้วอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆถ้าทำนี้ได้ก่อนที่มานน่ามันยามันก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วและได้เลึกต่อไป ก็คือว่าคือช่วงก็คือการฝึกก็คือเกิดขึ้นตลอดเวลาก่อนนั่งสมาธิแล้วกันนะอาจารย์เผยขึ้นมาแล้วน่าจะเริ่มตั้งขึ้นมาก็เริเ่ามาฝึกสเตจไปได้เลยอืมครับแล้วก็มีคําถามว่าพอดีว่าอ่ากความเข้าใจเนี่ยอย่างที่ ท, ที่ที่ฟังอญาติโยมท่านก่อนก่อนถามกันมาก็คือว่าคืออย่างเราเห็นไตลักษณ์เนี่ยแต่ว่า เราก็เราก็เราก็เข้าใจหมายถึงว่าเราไม่ใช่ว่าเข้าใจก็คือเราก็มองเห็นเราก็คิดว่าเรายอมรับความจริงได้เแต่ถึงเวลาเนี่ยเราเราสมมติถึงเวลาเนี่ยเราไม่ใช่เคืองไม่เชิงว่าเป็นความอยากแต่เหมือนกับเราอาจจะยอมรับจริงๆแต่ว่าในในเบื้องลึกเราอาจจะยังทําไม่ได้อย่างเงี้ยคือยกตัวอย่างเช่นเหมือนกับว่าคือถึงที่ผมพยายามจะสือ่อคือว่าเหมือนกับกำลังม า, าไม่พอ กรลัที่จะ<บ>ทําตามที่เราเห็นไม่พอกําลังสติของเราไม่พอสมาธิไม่พอมันก็เลยทําให้ใจเราไหวไม่ได้คดถ้ า, าเราทําได้จะเหมือนกับเราแบบตื่นนอนแล้วเราก็าลุกขึ้นมาจากเตียงอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเป็นอัตโนมัติเองอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์คือหมายถึงว่าเราก็จะเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่วิตกไม่หวาดกลัว ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรต่างไปกับเหตุการณ์ต่างๆเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาของทุกสิ่งทุก อ, อย่างมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลง ม, มีอะไรอยู่ตลอดเวลาซึ่งซึ่งสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราฝึกจนมันเกิดขึ้นหรือว่ามั น, มนเมื่อเราวาใจเราเราเข้าใจใจแล้วก็ปล่อยปกติเราไม่ยอมปล่อยครับเชื่อ สิ่งแั้ควรจะเป็นอย่างนั้นส่งนี้ควรจะเป็นอย่างนี้เราคุณจะได้ตำแหน่งนี้เราควรจะได้เงินเดือนอย่างนั้นได้ อ, นนอันนี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจหลักของตายหลักหลักของตายแล้วคือไม่มีอะไรแน่นอน <laughs> ไม่มีอะไรที่เราไปควบคุมบังคับได้ตลอดเลล่คือหมายควาว่าแม้แบบแม้แต่เราคิดว่าเออเราเราทางเราตั้งใจเราทํา ต า, ามมาตลอดแล้วเราควรจะได้อย่างเงี้ยคือถ้าไม่คิดอย่างเงี้ยว่ามันสมเหตุสมผลมันก็ยังไม่ไม่เข้าใจภายลังที่แท้จริงใช่แต่ในที่จริงก็คือมันมันมันจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่เราเราไปควบคุมธรรมชาติไม่ได้หรอกใ่ไทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติแต่เราไม่คิดว่ามันเป็นธรรมชาติเราไปคอบคุมนทาพอากาศได้ปะ เราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องการควบคุมเงินฟ้าอากาศใช่ไหมเพราเราไ่รู้ว่เป็นธรรมชาติที่ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมบังคับได้แต่อย่างอื่นที่เราเกี่ยวข้องนัยนเราจะไปควบคุมบังคับัตลอดไปได้ซึ่งส่วนใหญ่ซึ่งใ น, ในระดับหนึ่งเราก็ควบคุมบังคับได้แล้วรลเราคิดทําให้เราหลงคิดว่าเราควบคุมทิ้งนั้นทิ่งนี้ได้แต่ว่ามันนี้คืนี้อาจจะไปควบคุมไม่ได้ก็ไดนตอนนั้นก็ ก็เสียใจโกรธอะไรขึ้นมาเศร้าใจอย่างตอนนี้คุณคุมร่างกายได้แต่วันนี้ที่คนเดีก็มีอะไรเหตุการณ์กิขึ้นกร่างกายคนที่อยู่ไม่อยู่ในวิสัยที่คุณจะไปควบคุมได้คุณทำใจได้รับคำมันได้อย่าตอนนี้จะไปลอยคออยู่กลางทะเล <c oughs> แต่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครอยากจะไปลอยคอในการอะไรกันหอครับมีใครอยากจะไปเจออุบัติเหตุบนท้องถนนบ้างแต่มันก็เจอกันทุกวันมีเจอมีคนนั้นคนที่เจอกันอยู่เแน่ล้วก็เจออะไรร้องห่มร้อไห้คนที่ใครชิดก็ร้องห่มร้อไห้เศร้าโศกเสียใจแต่เก็ไม่เห็นตายรักก็ไม่ได้ไปจรณาตายรักมา ก, ก่อน เขาคิดว่าสิ่งนี้ต้องอยู่เขาเป็นานนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่ให้จากเข้าไปใช่ไหบอย่างลูกลูกคนนี้คุณจะคิดเคยว่าเคยคิดไหมว่ากล้จะจากเขไปก่อนคุณมีไม่เคยเลยกล้าจากแต่ไม่คิดนะคิดว่ามันไม่เกินนะไม่กล้าคิดใล่ไหมกลัวอย่างนี้นะพอจะคิดแล้วเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นจริงขึ้นมา ยราจะมาโทษตัวเองเนี่ยเพามันขี้มันถึงเกิดขึ้นไม่ใช่หรอมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติมันจเกิดขึ้นได้ของทุกคนอะความตายนี่มันไม่ได้จำกัดมันจะต้องตายอายุแปดสิบเก้าสิบอะไรนี่มเริ่มตายกัมีตายทุกวันทุกวันวันวันกว่าหนึ่งตายก็มีห้ากว่มันมีทุกดูข่าวข่าวมันมีเรื่องให้เห็นอยู่เรื่อยๆคนตายนี่มีทุกวัทุกเพศ ทั้งรวยทั้งจนมีหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าตายแักวไม่เทีย่ยงหนะตาควบคุมบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาจะมีอะไรเป็นไปนี่เราห้ามไม่ได้หนือต้องพยายามฝึกสอนใจให้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ เอเตรียมรับแล้วมันพอเกิดขึ้นมันก็ไม่เสียใจยทํางานได้เกิดแล้วตายแล้วจะทํำไรเกิดถูกไล่ออกจากงานแล้วทำไงาเอาเอาอกแล้วจะทำไงจะจพยายามเอาน้องน้องมา ล, ลึกถึงบ่อยๆครับเร า, เาไม่ยอมมองมุมกลับเราชอบเราชอบคิดแต่มุมมุมมุมจเจริญอย่างเดียวไม่คิดถึงมุมเสื่อมกัน ใหคิดถึงว่ า, า, รรยย ง, วา ง, งานเลี้ยงเยี่มมีวันสิ้นสุดนะการงานเลี้ยงนี้จะไปกันเรื่อยๆเลี้ยนกันไปเรื่อยๆฉองกันไปเรื่อยๆทุกอย่างมีวันสิ้นสุดลงชีวิตเราก็ทำมีจุดจบเหมือนนึกถึงความตาย่าีงันนี่การเรื่องของตายนะความตายนี่ก็เป็นเรื่องของตายนะ แเราไม่กล้าคิดกันกลัวเป็นแล้วกลัวคิดว่ากลัวสาบตัวเองแช่งตัวเองคืออันนี้ในมุมของผมคือผมคิดไอนน้เรื่องคิดว่าตัวเองตายเนี่ยอันนี้ระลึกบ่อยแต่ว่าพอฟ้าอาจารย์พูดถึงในมุมพอพูดถึงในมุมคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะแบบเรื่องลูกเนี่ยกับรู้สึกว่าเออเราไม่พร้อมในจริงๆมากกว่าครับมันน้องมันต้องไม่ชนะทั้งป่วทั้งเขาอะเพราะเหมือนกันหมดนั่งกายของเราขอาเหมือนกัน อยู่ภายใต้กดใต้รับเหมือนกันครับจ้น้อมเป็นปฏิบัติต่อครับขอบคุณที่ทำใจไม่ได้เพราะว่าเจ็ใจไม่สงบพอถ้าใจสงบพอก็ใจก็จะทำใจได้อี่ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตมันนิ่งนะตอนนั้นจะทำใจได้แต่จใจนิ่งแล้วอะไรเกิะให้มันเฉยๆได้ครับ โอเคนะซอนอยูซ้อนนที่ไหนเนะมอสมโซอเอาเอาปากครับอยู่ตอนนี้ย้ายไปรับราชการอยู่ที่อีซีครับพัดจัรอีซีที่ที่อะไรเอคโนมิคเอคอรนนี่นะ e eastern economic corridor เป็นที่ปรึกษาด้ยว่าเป็นอเนอเป็นคณะกรรมการเนอาเป็น เป็นผูน้อำนวยการครับทำด้านไครับเป็นทำด้านทำด้านเอชอรครับท่านอครับอันนี้ก้าไปา น, นึงไหนแล้วขึ้มหน้าดีไหมก็ก็ดีครับก็คื อ, อด้านโครงสร้างพื้นฐานรถไฟสนามบินแล้วก็ท่าเรือ ก, ก็เรียบร้อยนะครับก็ที่เหลือก็เป็นการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมที่กำลังพัฒนาต่อเนื่องครับท่านโอเคก็คชน อ่าเป็นร่วมทุนครั บ, <ล>บเป็นนัดนะครับครับเดชาร์ทุกรครับการละมัศกาครับอ่าไปที่เชียงรายคุณเองการละมัศการพระอาจารย์ครับวันนี้เข้ามารับฟังครับไม่มีคําถามกับพระอาจารย์ครับปฏิบัติอยู่ครับตามคําสั่งของพระอาจารย์อยู่ครับอัดสุดตายบ้างนะ ซ้ำตายบ้างครับผมมันก็ซ้ำโลกฐายก็ซ้ำโลกเราเราซ้ำตายความตายก็คือสนามโลกของพวกเราทุกคนครับผมครัอครัระลึกระลึกถึงความตายอยู่อยู่ตลอดนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดจะตายวันนี้ต้องทํำยังไงบ้างทําใจได้ไหมครับ<อ>ก็ตอนต้นน่อาจจะยากนิด น, นึงนะ <c oughs> ครับก็ต้องยิ่งยากๆๆนิดนึงหรือต้องซ้อมื่อก่อนไงครับ ถ้ไม่ซ่อามันก็ง่ายแต่มันไม่ซ่อมมันก็ยากถ้าซ่อมบ่อยๆก็ง่ายใช่ผมก็มันเหมือนกับก็ผมผมก็คิดตอนที่เอถือเนสัญชิกหรืออาปาจย์เวลานั่งไปนั่งไปสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ทนทนจนสามชั่วโมงมันไม่ไหวมันต้องเปลี่ยนท่าก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่านั่งก็มานึกถึงว่าเอ้เวลาคนมันใกล้จะตายมันทรมานมันคงลักษณะดิ้นรนเหมือนกันนะ คงย้ายไปอย่างนั้นอย่างนี้กว่าที่ว่ามันจะสงบนี้นะครับอาจารย์ต้องหอนกิโลถ้าถ้าไม่ได้ฝึกก็ก็คงจะลําบากตอนที่ว่าตอนที่มันจิ้นรนตอนที่มันดิ้นรนในความเจ็นในครับตายเนี่ยจิตมันพยายามจะดิ้นในนี่ยข้าผมข้าผมครับนี้ถ้าถ้าเกิดว่าถ้ายังไม่ได้ชาญถึงชานสเนี่ยตอนที่ตายเนี้ยจิตมันก็ไม่นิ่งนะนะใช่ไหมครับอาจารย์ ไม่เนื่งหร<ม>ถ้ามีมีปัญญายอมรับมันก็เนื่ได้ไม่รู้จะเนื่งหรือเปล่าะถ้าถ้าสติสมาธิกำลังไม่พอมันต้องไม่ยอมมียอมมันจะปื้นนะครับต้องฝึกให้มีโอเบ ค, คาเยอะๆครับครับเพราะว่าแล้วก็ต้องยอมรับด้วยปัญญาว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมันเป็นตัวเราของเราเกินสู่ธรรมชาติครับเกินสู่ธรรมชาติ เอาอยู่ของธรรมชาติมาใชช่วคราวครับผมครับผมก็พิจารณาอยู่นะครับในช่วงเช้าว่าหลังจากออกสมาธิก็พิจารณาอยู่ครับก็พยาอมองตัวเองก็ดู ด, ดูร่างกายตัวเองเนี่เป็นกระดูกมันก็เห็นเป็นกระดูกอยู่นะครับอาจารย์แล้วไปมองไปมองอรราญามองเนี่ยก็เออก็มันเป็นกระดูกเหมือนกันแล้วก็ทนว่าไอ้มันเจ็บเอ๊กก็อาจารย์ประเทศว่ถ้าหน้ากายเราก็เหมือนหน้ากายคนอื่น ถ้าเข้าใจคนอ่นเจ็บแล้วทำไมเราไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยผมกออกมาพิจารณาอยู่แล้วอาจารย์ืมพารณทุกทุกเช้าครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ก็มารับฟังครับอาจารย์ครับโอเคครับครับผอาจารย์ถ้าผันแห่งแรงครับผมโอเคครับไปที่น้องออมน้องอ้อมวอเนนาม่สการค่ะ อ่าหายไหนไปหายไปไหนมาไม่ได้เข้าพอดีไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ค่ะอนนี้มีเลยไม่มีค่ะแต่ไปตักหวานแล้วพระอาจารย์บอกว่าหายไปจากซู้มเลยก็เลยเข้ามาเข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะดีแสดงว่ายังไม่ทิ้งกันนะยังค่ะยังนําคําสอนของพระอาจารย์ ไปปฏิบัติอยู่ทุกวันคะ <Okay. S 1> ่ะโอเคอสาธุสาธุค่ะคุณอนภาพจากองบอลนาชานีค่ะสมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะลูกยังปฏิบัติต่อเนื่องแล้วก็ที่ได้กับเรียนพระอาจารย์ว่าได้ได้ปฏิบัติโดยบางเวลาที่เคยฟังเทศเอาไปภาวนามากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ได้รับผลก็คือมันมีความเบากายเบาใจแล้วก็มีความสงบมากขึ้นแล้วก็เวลาพิจารณาความตายที่ที่ชอบคิดอะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันมันชัดขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนกับว่ามันเห็นเห็น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลูกเป็นคนไม่เก่งลูกก็จะยึดหลักแค่บางหลักมาใช้อย่างเช่นหลักที่ว่าบุฟเฟ่ย่างงี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ให้ยอมรับใช่ไหมเจ้าค่ะเวลาพิจารณาความตายให้ยอมรับความตายมันก็พอพ อ, พอเราเจริญสติในการภาวนามากขึ้นอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันทําให้การยอมรับมันมันดีขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ดีขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะค่ะเราสั่งไม่ได้เรียกไม่ได้<า>ไม่ะนะค้าง ล, ลูกก็พยายามเหมือนกับว่าลูกก็ใช้หลักแบบยอมรับอย่างเช่นเราปฏิบัติได้แค่นี้ก็ยอมรับไปก่อนเจ้าค่ะว่าเราปฏิบัติได้แค่นี้มันก็จะไม่มีอาการที่แบบว่าท้อแท้หรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็ยอมรับในผลการปฏิบัติไปแต่ละระดับระดับที่เราทํามันก็ทําให้ลูกปฏิบัติเหมือนเต่าได้เจ้าค่ะ ป, ปฏิบัติไปได้เรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีการแท้ท้อแท้หรือว่าเบื่อหน่ายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะค่ะ<ๆ> ก็อย่าสบายจนเกินไปแล้วก <laughs> ันต้ อ, ตอ ง, งเล่สะเขียนบ้างแม้เราเป็นเต่าเต่าก็ยังวิ่งได้นะก็ค่ะค่ะจ้็ค่ะบรรยากาศถูกดีเลยเ์มันีลอยเราเป็นเต่าแล้วไปชเรื่อยๆสบายสบายอืมก็ค่ะก็ต้องไปาคอมเมนต์คอมเมนต์แบบเต่าอืมค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคาค่ะพะาจารย์กับขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณยินดีจากรัฐแคนซัสอเมเมืองอะไรนะจำไม่ได้ละเมืองเอมพอรียค่ะท่านอ <Emp oria. S 2> าจารย์ <Okay. S 2> ค่ะก็วันนี้ลูกมีคำถามค่ะแล้วก็เดวิดก็ฝากกราบท่านอาจารย์เนะคะ่ะแล้วก็ค้ <Okay. S 2> อ, องเต้นเหมือนเดิมแทนท่านบอกขอบคุณนะอขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ค่ะ <Okay. S 1> ่อาจารย์ไม่มีอะไรนะไมมีค่ะก็ <Okay. S 2> วัดนะทุกสังกัดค่ะท่านอาจารย์พรุ่งนี้พรุ่งนี้กับวันพรุ่งนี้กับวันศุกร์อะค่ะพายุหิมะเข้าค่ะท่านอาจารย์เข้าค่ะพรุ่งนี้นลบลบยี่สิบเอ็ดย่สิบสอมากค่ะพรุ่งนี้ค่ะช่วงนี้ธรรมชาติงนแะผ่นดินไพวกเขาไฟระเบิดถ้าท่านอาจารย์เนี่ยค่ะ ก็ยังว่าอยู่ค่ะว่าช่วงนี้แบบสมัยก่อนมันมันมันไม่เหมือนกันถูกไหมคะอาจารย์มันก็มีเอฟเฟกตมาจากไอ้มันก็นิจังอ่ะบางทีมันก็มีบางทีมันก็ไม่มีแบบในธรรมชาติเราไม่ได้มีทุกวันทุกปีบางปีมันก็รุนแรงบางปีมันก็ไม่รุนแรงค่ะแต่เห็นก็บอกว่ามันมันเกิดมาจากไอเอฟเฟกของไอสภาวะโวกร้อนมันก็จะเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ละมันก็มันก็มีส่วนอะ พวกเราก็เป็นธรรมชาติเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราก็ไปทําให้ธรรมชาติมันเป็นอย่างที่มันเป็นอย่างนี้นค่ะท่านอาจารย์ใช่ค่ะก็น้อมรับต้องยอมรับกับสภาพมันเป็นอย่างนี้นะค่อยู่ไปกับมันค่ะท่านอาจา ร, ราย์เตรียมพร้อมให้รู้ว่าไม่มีอะไรแน่แน่ในเ่องนี้ค่ะท่านอาจารย์ันดีคือดีเหมันก็ มีเหตการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอาจจะไม่เคยปรากฏอย่างนั้เมื่อสองปีก่อนเราไม่เคยคิดว่าจะมีโควิดมาแพร่กระจายค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้คิดอย่างนี้นะค่เตรียมใจไว้ค่ะค่ะค่ ะ, คะท่านอาจารย์น้อมรับคําสอนของท่านอาจารย์ตลอดค่ะค่ะใจเราต้องไม่ทุกข์กับม<น>ันทั้เปล่าหมายไม่ว่าจะเกิดขึ้นจะดีจะเชื่ออะไรก็ ก็เป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้ห้ามใจไม่ให้ทุกข์กับมันได้นะคะท่านอาจารย์ค่ะค่ะก็ปฏิบัติไปไเรื่อยค่ะท่านอาจารย์โอเคมีสติเยอะๆมีสมาธิเยอะๆแล้วเวลาใจอาการต่างๆไม่กระชื่อได้ค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์ อ, รยอย่างสูงค่ะอเป็นบราริสกาอาจารย์ อ่ะที่ว่าตอนนี้น้ำท่วมหยุดท่วมไมยไังเหรว่าใต้ตอนนี้ท่วเวยอะหนินะนนยังไม่ได้เปิดไมเลยเปิดแล้วยังครับพระอาจารย์อ่าเปิดแล้วเปิได้แล้วสาธุค่ะกลับน้มัสเก็ดเจ้าค่ะก็น้าท่วมทุกทุกที่ททเลยค่ะพระอาจารย์ทุกที่เลยน้ท่วมมากคพระอาจารย์ก็ อากาศก็เย็นเย็นมากตอนนั้นนี้ก็แต่ว่าทุกคนก็ปลอดภัยนั้นะทุกคนก็ปลอดภัยดีอยู่นะคะพระอาจารย์เป็นลูกก็ได้นำคำสอนของพระอาจารย์นั่นแหลนะนลคะมาประพฤกมาปฏิบัติอย่างน้อยสิ่งที่มาสัมผัสตาหูตาจมูกลิ้นกายใจบางครั้งตั้งแต่ก่อนมาจะเป็นคนที่ โหง่ายมันทีเ่เคยกับเพียนท่าจังหวะแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะสงบเย็นลงเยอะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้เท่าทันมันใจก็กลับเพื่อนไม่มากนะคนะ่ะอาจารย์ส่ค่ะแล้วก็ในส่วนต่างๆนั้นก็คือบางครั้งก็นึกว่ามันอาจจะเป็นกฎแห่งกรรมเราเคยทำมาอะไ ร, รแล้วก็อะไรอะไรก็อาจารย์ก็เราก็ก็ยอมรับมันแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับมันอาจารย์ใช่ เราทําะไรมันไม่ได้เจ้าขาพะอาจารย์เราทำใจแล้วได้อย่างเดียวก็ทําใจเจ้าขาแค่นี้ทําใจได้ก็สบายไม่เดือดร้อนค่ะแต่เรืน่นั้นที่เรียนกระอาจารย์นั่นแหละหอูว่าแรกๆก็อืมบ้างพักหนึ่งก็ผงาดพักหนึ่ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งแล้วพอพอได้สักครึ่งนึงก็สติกลับมาก็ก็โอคุคดีขึ้นแต่ในเรื่องของจะรเรีนสติ น, นั้น ก็ยังคลานเหมือนเต๋ว่าอาจารก็ยังไปไม่ถึงไหนก็คือนั่งได้ตุจงจิตจะปุงอยู่เรื่อยนี่แหละคือต้องพยายามมากมากเลยอาจจะแปลว่าเราอยู่กันหลายคนคนอื่นเขาไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าอาจรมีรูปปฏิบัติอยู่คนเดียวอะไรแบอย่างนี้มันก็ลําบากหน่อยต้องเอ็มนะครับเวลาอยู่คนเดียวจะได้ฝึกสติได้ดี นี่นี่คือนี่คือเป็นเป็นลักษณะหนึ่งที่ลูกแต่ว่าก็ลูกก็พยายามนะลูกพยายามที่จะหามุมสงบสงบที่จะปฏิบัติให้ได้เแต่ว่าในเรื่องของการฟังธรรมมของค่ายเซรันก็ฟังทุกวันค่ะพระอาจารย์แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคําสอนที่ว่ามันโดนใจลูกก็จะจดเอาไว้แล้วก็มาอ่านซ้ําอีกทีหนึ่งเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านค่ะ ไปที่โคราชใช่คุณญญาณีกราบแะมัทสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะอยู่ที่โคราชใช่ไหมท่านอาารย์ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะมาร่วมฟังธรรมแล้วก็เ อ, อได้ประสบการณ์จากจากกัญยาณมิตรที่อยู่ในห้องซูมค่ะก็เอาไปไปไ ป, ไปใช้กับตัวเองนะดะเยอะเลยค่ะ แต่ละคนก็อาจจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันจะได้แบ่งกันค่ะเจ้าค่ะกับสาธุเจ้าจค่ะคุณกิติศักย์ยังไงกลับจากวัดไปแล้วเป็นยังไงบ้างนวัตการครับพระอาจารย์ก็สงบดีครับยังปฏิบัติอยู่ทุกวันครับพระอาจารย์ก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มีโอกาสไปพาเพื่อน คณะไปทําบุญที่สํานักสงฆ์ป่ามะขามต่งมะขามที่โคราชครับ<ม>เป็นที่รับพระสงฆ์ระยะสุดท้ายที่เรักษาพจารย์วีระใช่ไหมพระอาจารย์วีร ะ, มะมผมจำไม่ทราบที่พระอาจารย์อะไรครับ<ม>พอดีเลขาเลือกสถานที่แล้วก็เลยพาคณะไปอื<ม>ไปไปพบเป็นเหมือนสํานักสงฆ์ครับไม่มีป้ายมไม่มีอะไรเลย แต่คุยกับพระท่านท่านบอกว่าเป็นของพระสมเด็จพระสังฆราชอท่านสมเด็จ อ, องที่แล้วครับในปีทิ่ตั้งไว้ใช่ไหมครับพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์วิลาท่านก็เป็นเดชขาเป็นพระรับใช้สมเด็จพระสังฆราชท่านก็อยู่วัดบอนอท่านก็เคยมาอยู่ที่วัดยานอยู่ภาคหนึ่งหมครับทีจังหวัก็ไปพบพระสงฆ์ที่แบบระยะสุดท้ายครับท่าน อผมไม่แน่ใจว่าพระที่มาอธิบายเป็นอท่านพระอาจารย์วีรารือเปล่าแต่ท่านอธิบายบอกว่าพระสงฆ์ทั่วประเทศเลยที่ไม่อยากจะศึกอยากจะตายคะในพระเหลืองเนี่ยก็คื อ, อจะมาที่นี่แล้วก็มีคนช่วยดูแลครับอืออมีพระสงฆ์ตอนนั้นน่าจะยี่สิบแปดรูปที่นอนอยู่ครับเล็นอของชาปิดเตียงกันได้ใช่ครับคือเอ ติดเียงทั้งหมดเลยครับแล้วก็นโรคชนิดนตา่างๆครับอที่หมอรักษาไม่ได้นะแีนะใช่ครับคุณเออทนบอกว่าคุยงไงว่าให้กลับไปตายที่บ้านเย่างนี้ท่านไม่ไม่ยอมที่จะไมรบ ก, กวนญาติโยมครับมันแล้วก็ไม่รู้อยากอยู่ในผ้าเหลืองต่อไปอืก็เลยมาที่นี่กันและได้ร่วมไปทําบุญก็เอบริจาคสิ่งของครับท่านก็อาจจะได้บรรลุธรรมตอนนั้นโนนาบัควนดมา ข้อสอบของสมุดามันมาแล้วคือความตายความเจ็บเนี่ยใช่กเห็นแล้วก็นึกย้อนถึงที่พระอาจารย์สอนอแล้วก็ที่เราได้ยอมรับความจริงความเข้าใจมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกคือมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอเดี๋ยวเราก็ต้องเจอครับแล้วพระพรท่านเขาบอกว่าเป็นไงบวชไม่ล่ะบวชไม่ล่ะ อยู่ดีท่านก็ชวนใช่ว่าเห็นเมวอยู่ดีท่านก็พูดสองสครั้งตอนหน้าทุกคนผมก็ยังผมยังเงียบๆอยู่เลยท่านหันหน้ามามาพูดกับผมอยู่คนเดียวมาชวนบวชก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันพระอาจารย์ครับที่ว่าอาจารย์เทศเมื่อสักครู่เรื่องอความายเรื่องการคูเบขามาพิจารณาผมเขา้าเข้าใจรู้สึกว่า ถ้าไม่มีอุเบกขามันจะเหมือนไม่มีน้ำหนักไม่ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งนะครับไม่ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าเท่าที่สัมผัสมันจะเหมือนว่าเราเวลามีความสงบเล้วมันจะมันเหมือนทําโจทย์ข้อสอบที่มันทำํทำทาโจทย์แตกข้อสอบแตกแล้วขอ้วิธีแบบนี้นี่เองผลลัพธ์มัเป็นแบบนี้มันเหมือนมันเข้าใจก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช ไม่พไม่มีอารมณ์ร่างชันโกรธลงมาเป็นอาคติอันนี้อารมณ์นี่พิจารณาตายแล้วมันจะกลายอารมณ์กดหูนั่นมาพิจารณาไม่ได้ครับครับครัระอาจารย์ก็ยังอื่นก็ไม่มีอะไรครับไปยังปฏิบัติอยู่ทุกวันแล้วก็ฟังที่พระอาจารย์เทศอยู่เรื่อยๆครับอืมก่อนที่จะนั่งได้อยู่ที่ไหนนะที่ไปจำไม่ได้ที่ปักช่องครับปากช่องบนไลน์ครับ ต้องสถานที่ใหญ่มากเลยครับแล้วก็เห็นแล้วน่าจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะพอสมควรแต่ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ทําเป็นเหมือนรูปแบบองค์กรอะไร<ม>เพราะว่ามันจะลําบากต้องมีการมานน่นนี่นั่นก็<ม>ลเลยแบบไม่ใช้ไม่มีชื่อใช้คณะเอะพระแล้วก็คนช่วยประชาชนมาช่วยกันทำํำ<ม>ครับ<ม>อยากเชิญชวนคนไปทําบุญครับเพราะว่าท่านบอกว่า ท่านไม่มีให้โอนเงินไม่มีอะไรแค่ไขมาแล้วก็บอกต่อๆกันเท่านั้นพอครับ <Okay. S 1> ครับครั บ, รบขอบคุณครับอาจารย์อน้อนโมยังไงเขากระดูกยำเห็นอยู่ป่าววัส ก, การครับอาจารย์ฝึกอยู่ครับอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่โครงกระดูกค่พะพะอาจารย์มันมีแบบ พวกรูปถ่ายของศพหรือว่าคนที่เปลี่ยนไปตามเวลาครับเวลาที่จะเขียวย่นไปด้วยอะไรีหมคบมันจะมีภาพพวกนี้ในอินเทอร์เน็ตให้ดูครับเน้อดูแล้วเป็นไงมีอารมณ์อะไรไหมมันก็กาศจะถามพระอาจารย์อยู่พอดีเลยครับว่ามันไม่ได้รู้สึกคือมันไม่รู้สึกหดหู่มันไม่กลัวมันมันเฉยเฉยอยครับก็ดีดีแสดงว่าจิตล้ว แข็งดีครับคือมันเฉยๆอะครับอาจารย์ผมเลยไม่รู้ว่ามันคือดีหรือไม่ดีทำามเก็ดีถ้าไม่ทุกก็ดีไม่กลัวก็ดีมันทํเห็นแล้วกลัวทุกครับอาจารย์แล้วก็ยังฝึกเจารนสติเหมือนเดิมครับพระอาจารย์อ่าก็พยายามให้ได้ครึ่งชั่วโมงหรือมากกว่านั้นทุกว่าครับทำสมาธิด้วยหรือก็พยายามนั่งครับแต่ส่วนใหญ่ อ่าตอนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยครับพอาจารย์ถ้าสมมติมันนั่งไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันจะหลับอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นเดินจงกรมแทครับอาจารย์โอเคครับอาจารย์แต่มันก็จะไม่สงบเท่ากับการนั่งสมาธิถ้าไม่หลับ mm hmm. ครับอาจารย์แล้วก็วันนี้มีคําถามหนึ่งครับอาจารย์ที่สงสัยก็คืออ่าที่เขาบอกว่า พระโสดาบันเนี่ยจะเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาตินะคะพระอาจารย์ผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่ามีคนคนหนึ่งได้บรรลุพระโสดาบันแล้วอย่างนี้แล้วเขาตายจากชาติปัจจุบันของเขาแล้วเขาไปเกิดใหม่เขาจะไปเกิดเป็นพระโสดาบันทันทีหรือไปปฏิบัติใหม่อย่างเงี้ยครับอ๋อเป็นโสดาบันอยู่แนละ้วอไปต่อไปทํางานต่อเหมือนลนะให้ายโงเรียนอนนี้อยู่มหกก็ย้ายไปโรงเรียนก็ไปเรียนที่ม โมโเริ่องเล่นที่มาอะไรต่อไม่เป็นเรื่องที่ป .1 เลยครับอาจารย์แปลว่าเขาก็จะเป็นโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กเลยเหรอครับเออเป็นเด็กเลยครับอาจารย์วันนี้มีเท่านี้ครับนจะเป็นโสดาบันก็ได้แต่ยังยังไม่น่าถึงเชียอาจารย์ไม่กลัวความเจ็บกลัวความตายแล้วก็เป็นโสดาบันได้ สาธุครับอาจารย์อยากเป็นอย่างนั้นเนกันครับครับครับอาจารย์วันนี้มีท่านที่เขาเป็นโดาม่เข้าเข้าห้องนี้ไม่ได้ครับปฏิคองนี้ส่วนใหญ่นี่เป็นพวกโซดาปฏิมากเทําไมโซดาปฏิผลก็โซดาปฏิมากครับพระอาจารย์ต้องเล่นเรื่องนี้ตลอดเวลาใช่ไหมเวยาเข้ามาห้องนี้ก็จะพูดแต่เรื่องเรื่องเหล่านี้ครับอาจารย์ต้องเล่นความเพียรให้เป็นปฏิผลครับอาจารย์ โอเคมีมีเท่านี้ครับผมพระอาจารย์คุณเต่าดูน้องน้ำโมเป็นตัวอย่างะตัวนิดเดียวแต่ใจเขาไปถึงไหนแล้วนะน้องกับนวสกานครับพระอาจารย์ก็ยังพยายามอยู่ครับพระอาจารย์มไม่ได้ทิ้งทําเป็นมันเต่าเหมือนพระอาจารย์ว่าค่ะพระอาจารย์อก็ทําไปอย่าหยุด อ, อย่าประมาทอย่าประมาท อ้าเป็นกระตายามันจับบามาอออเอยเรามี่งไดเร็วได้ไกลกว่าเต่าเยอะแยะตอนนี้ขอไปเที่ยวก่อนง่ายๆใกล้ปีใหม่แล้วไว้หลังจากปีใหม่แล้วค่อยมาปฏิบัติต่อกับบ้านนะคะพระาจารับเชียงใหม่แป๊บหนึ่งพระอาจารย์ว่าหลุดได้แป๊บๆว่าที่แล้วอะที่พระารอาจารย์บอกว่ า, าก็หลุดได้บ้างแต่ก็รีบกลับมาใช่ไปยัง ยังยังไม่มีกําลังมากก็สว้ไม่ได้เป็นทัพพักไว้ค่ะแต่ว่าเวลาจะไปไหนนะใจมันอยากไปนะพระอาจารย์แต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆอ่ะใจก็ไม่อยากจะไปแต่ว่าเราก็ได้บอกกันหลายๆคนไปแล้วมันก็เลยเออต้องอไปไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ตามประเทศก็หลอกเรามันก็หลอกเราว่าไม่อยากจะไปแต่ก็ไปอยู่มันไม่สําคัญว่าใจอยากหรือไม่อยากอยู่ที่ไปหรือไม่ไปมากกว่า ไม่อยากไปแต่ไปเนี่มันก็เหมือนก็เหมือนกับโกกตัวเองฉันไม่อยากไปหรอกแต่ก็ไปต่างไปแทนนะคะพระอาจารย์โยมก็ไม่ไปเที่ยวแล้วค่ะออแต่ว่าอาทิตย์ก่อนนี้โดนกิเลสร้องไปทาเล็บมือพระอาจารย์แล้วก็พรุ่งนี้วันทะเนี่ยเราจะขาดศีลไปคอหนึ่งหรือเปล่าพระอาจารย์ ก็ม <pues S 2> ันก็มันก็วันผ้าเราไม่ได้ทาไม่ใช่หรอว่เราไม่ได้ทาวันผ้ามันก็ไม่ผิดเนี่ยทาก่อนวันผ้าได้นะครับอาจารย์หนูเห็นแล้วหนูก็รู้สึกว่าอะกวันผ้าหนูไม่ได้ทาไม่ใช่หนูทามาแล้วเป็นของเก่าแล้วยยังรู้สึกว่ก้อนเย็นมาเนินหนูก็กินข้าวเย็นเไี่ใช่ทำไม ไม่เช่วันท่านหนูก็กิดข้าวเย็นนี่เลย <G ül> ไม่ใช่วันพานกหูก็ทานทานได้ถ้าถือสี่ห้าก็ทานได้มี <G ül> ่วันทานนี้จะไปลบออปบ่อหรือเปล่านี่ก็อีเรื่องหนึ่ง <G ül> ลบไม่ได้มันเป็นเจล ค, <G ül> ค่พระอาจารย์แต่ก็คิดว่าแต่ก็คิดว่าอือทาครั้งนี้กละว่าปีใหม่กลับบ้านแค่นั้นเองค่ะพระอาจารย์ <G ül> กลับบ้านสวยหน่อย <G ül> เดี๋ยวเขาว่าสง <G ül> <G ül> <G ül> าก็ยังกลัวอยู่ มันไม่ดูมันดูที่เจตนานะถ้าอยากสวยอยู่ก็ถ้าแล้วยังเป็นกิเลสเนาะเสร็จเลยแต่อันนี้ก็บอกตัวเองว่าเออถาแล้วก็จะไม่ถาละบอก ว, ว่ามั น, มน ก, มนก็มันก็เจ้หของแล้วนะเพราะถึงเวลานั้นเขาลืมคำสัญญานะเอาจิงๆนะครณพ่าจารเวลาไปเวลาไปวาดไปฝังทำเนี่ยค่ะเจอกาลยานามิตรหรือว่าเจอเพื่อนเพื่อนเนี้ย เราเหมือนเป็นแกะดํายังไงก็ไม่รู้อ่ะพระอาจารย์มันมีมันมีอะไรไม่รู้ติดเล็บเราเงี้ยคนอื่นเรามองเล็บเขาแล้วสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าอุ๊ยผิดมากเลย <c oughs> เดี๋ยวถ้าแบบว่าหลังปีแล้วถึงเวลาเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาเอาออก <c oughs> นะพระอาจารย์ก็เอาสีธรรมชาติทาทับไปก็ได้สีเล็บสีที่มันเหมือนกับไม่ใช่เป็นสีอืมค่ะเราทาครึ่งเดี๋ยวพระอาจารย์ อาสีเล็บเสีส่ยสีธรรมชาติของเล็บไปพอดูก็เหมือนก็ไม่ได้ทาอืมค่ะทาทับไปอโอเคพยายามไปฝึกไป<อ>ผิดก็แก้ไขไปต้องผิดก่อนถูกนะค่ะพระอาจารย์ขอบอขอบคุณมากค่ะเอาเอ า, เอาออความผิดมาเป็นบทเรียนสอนใจเราเรื่อยๆอย่าทําช้ำ ม, มากแล้วกันเจ้าค่ะพระอาจารย์จะให้ยามค่ะโอเค จาก้ายที่ช่วงนี้ปิดแถวเนาะไม่ได้สอนนครักลับนมัสการพระอาจารย์เจ้บค่ะช่วงนี้ยังอยู่ต้นเทอมอยู่เลยค่ะพระอาจารย์สอนเยอะมากยังไม่ได้ไปสาคาไม่ได้ไปไปค่ะพระอาจารย์กลับมาแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปทํางานใหม่ค่ะวันนี้เป็นเป็นเวนเป็นเวที่จัดกันวันพุธก็กลับบ้านได้ มีสอนก็กลับบ้านค่ะพระอาจารย์ตอนเย็นมาตอนเช้าไปใหม่ค่ะอ๋อขับรถไปกลับได้ไม่ไกลขับรถไปกลับได้ค่ะพระอาจารย์ประมาณหกสิบนาทีห้าสิบนาทีก็ถึงค่ะเจ็ดวันที่ผ่านมาขาดสินแปดเป็หนึ่งวันค่ะพระอาจารย์เพราะว่าอมีต้องไปอยู่เป็นปฐมพยาบาลออกตีห้าก็แล้วก็เลยกลัวไม่มีอะไรทานค่ะพระอาจารย์ก็เลยเวฟอะไรทานไปก่อน แต่ก็คิดในใจว่าจริงๆไม่กินก็น่าจะได้อยู่ค่ะแต่ว่า<ม>ตอนตอนที่ตื่นมานี้ก็รู้สึกว่ากิเลสชนะก<ม>็เออกินก่อนและกันเดี๋ยวไม่มีอะไรทานก็ร้อยมันสว่างพอมันสว่างมันก็มันก็เป็นวันใหม่นะกินได้มันมันจะไปอีกไปอยู่ที่ห้องประชุมอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์<ม>ก็ก็เลยคิดว่ามันไม่มีอาหารขายไม่สะดวกก็เลย<ม>กินให้เรียบร้อยก่อนไปค่ะ แล้วก็ทีนี้เฟซบุ๊กจริงๆไม่ได้โพสตค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเด็กรับปริญญาก็เลยคิดว่าโพสตโพสซะหน่อยเพราะว่าลูกเรารับปริญญาอะไรเงี้ยค่ะลูกศิษย์เพราะว่าปกติเราโพสตลอดพอถ่ายรูปแล้วไม่โพสแปลกค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยโพสต์นิดนึงค่ะยินดีกับเขาค่ะพระอาจารย์แบบนี้เป็นไรไหมคะพระอาจารย์ก็ไมนเป็นอะไรนะค่ <c oughs> เราก็โพสของเราอยู่ทุกวันแเราโพสธรรมะคทำสอน อันนี้ถ้ามีเห็นมีผลก็โอเคไม่ใช่โพสต์ตามอารมณ์วันนี้อยากจะโพสงดโพสโพสต์่นี้อันนี้ก็ม่เหตุมีผลรับริญญาบางทีถ่ายรูปก็โพสต์หน่อยก็ได้คก็คือถ้าโพสต์ที่ไม่มีสาระก็ก็ไม่โพสไปเลยนะคะพระอาจารย์แต่ถ้าโพสตแสดงความยินดีกับคนอื่นก็โพสต์ได้บ้างอถ้าไม่พูดเลยได้ก็ดีไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับสังคมอะไรได้ แต่ถ้ายังต้องเกี่ยวข้ออยู่ก็ต้องทำไปตามหน้าทีู่่แล้วกค่ะก็เลยก็เลยโพสแสดงความยินดีไปไปหน่อยนึงค่ะพระอาจารย์ค่ะที่เหลือก็เริ่มมานั่งสมาธิก็เริ่มเริ่มเข้ามาสู่เหมือนสเต็ปแรกใหม่เลยค่ะพระอาจารย์ได้ความสงบนิดหน่อยค่ะได้ยังได้แค่นั้นค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบค่อยค่อยค่อยค่อยมาแล้วก็สงบจะอยู่ได้ถึงแค่ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ยังยังไม่ลึกค่ะ ที่เหลือก็ก็มีปัญหาแค่เรื่องของร่างกายค่ะพระอาจารย์ว่าเราจะดูแลร่างกายเรามากน้อยแค่ไหนความเจ็บป่วยเราจะดูแลมากน้อยแค่ไหนถึงจะไม่มากไม่น้อยเกินไปค่ะพระอาจารย์กรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ไ ม, ไ, ไม่ต้องรักษาไม่ต้องใช้เครื่องเครือ่องเวอรหายใจเครื่องอะไรกนะ็ตามก็คือถ้า<ำ>กินยา กินยาได้กินไปก็กินไปแต่ผ่าตัดอะไรนี้ไม่ไม่ต้องใช่ไหมคะก็แล้วแต่ไม่จะผ่านก็ได้ถ้าผ่าแล้วหายก็ผ่านได้แต่บางอก็ไม่ผาไม่ควรเป็นผ่านอืมก็ก็คือเหมือนแบบถ้าผ่านแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมก็ควรผ่าแต่ว่าถ้าผ่านแล้วมันเสี่ยงว่าจะเท่าเท่าเดิมหรือพังไปกว่าเดิมเหมือนประคองประคองก็ไม่ควรใช่ไหมคะพระอาจารย์อันนี้นะว่าเราตัดสินใจเอาเองค่ะค่ะ กำลังแบบว่าเอ๊ะถ้าจะดูแลร่างกายไปสักแค่ไหนดีเพราะว่าท้ายสุดมันก็ตายอยู่ดีก็ตายอยู่ดีก็ยิ่งก็ยิ่งทรมานเพราะว่าทรมานวยป่าแกก็ยิ่งยิ่งทรมานอะไรเงี้ยค่ะตายชามันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนจะมองอค่ะก็ก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะพระอาจารย์ค่ะอาจารย์ทำแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียก็อย่าไปทํามันละ มีคำถามเพียงเท่านี้ค่ะพระอาจารย์สาธุรับต่อไปค่ะตอนนี้ต้องเน้นสตินะนะสิ้นกำลังสินห้างสิ้นแผ่นได้นะทีนี้เราไปเน้นที่ตัวสติด่อนอืมค่ะก็คืออยู่กับลมหายใจหรือว่าอยู่กับร่างกายเอในระหว่างวันใช่ไหมครับใช่ระหว่างอย่าไปคิดระหว่างนี้ด้วยเปลยอืมค่ะจะพยายามลดน้ำความคิดให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะเดี๋ยวน้อมรับมาปฏิบัติแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเข้ามา<ด>รายงนานค่ะ okay. สาธุาธค่ะคนโพมุ่งเทพขออนุญาตครับพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ครับวันนี้ผมมีคําถามเรื่องการปฏิบัติครับผมพระอาจารย์ครับพอดีผมมีความรู้สึกว่าที่ล่าสุดที่ผมถามพระอาจารย์ว่า แค่เราไม่ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายครับอาจารย์ผมลองกําหนดดูที่ลมทั้งวันเลยครับพระอาจารย์ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราเผลอแบบว่าไม่มีสติครับมันก็จะมาพอเรารู้เวลาเรามีแรงมากระทบนะครับแล้วถ้าเราไปรู้ความหมายของอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็จะเผลอที่จะไปยินดีเลยแล้วก็ยินร้ายเลยผมก็เลยรู้สึกว่านั่นแสดงว่าถ้าเราเผลอแล้วเราไปรับรู้วาลมนั้นมันก็จะยินดียินร้ายซึ่งเราเลี่ยงไม่ได้ผมก็เลยลองดูลมดู ถ้าเราดูลงตลอดเวลาแล้วมีแรมากระทบเหมือนบางทีการกระทบนั้นน่ะเราก็จะไม่รู้ความหมายมันก็เลยทําให้เกิดสภาวะที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะยินดีหรือว่าจะหรือว่าจะยินร้ายผมผมถ้าประมาณนี้ประมาณถูกต้องไหมครับคือเราต้องมีสีตลอดเวลาเลยครับอาจารย์คือเราต้องไม่ ย, ยินดีร้กับทุกทุกสภาพที่เกิดขึ้นที่เราไปสัมผัสรับนครับอาจารครับทีนี้ผมก็เลยมีความเข้าใจว่าใช่อย่างนั้นน่ะเวลาเราใช้ชีวิตเพื่อที่จะไม่ ไม่ยินดีหรือไม่ยินร้านเราก็ต้องดูที่ฐานลมของเราตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับอาจารย์เพื่อฐานลม ม, น ม, นมันเป็นการฝึกตั้งให้เรามีสติพราเรามีสติเรามันก็จะไม่ไม่ไม่ยินดีร้านกับอะไรครับครับอาจารย์ครั บ, าารรบแต่เร า, า, าใช้พุโทโธก็ได้น้องพอยินดีร้ายก็ใช้พุโทโธพุทโธแทนดูลมก็ได้ครับ<พ>แล้ว<พ>แตาขนาด คอาจารย์ครับแล้วก็อย่างบางทีเวลาเราพูดคุยครับบางที เ, เราอาจจะไม่ทันที่เราจะไปยินดีรักผมก็เลยใช้เทคนิคว่าลองลากลมช้าๆทัดทดูมันก็มันถ้าแบบนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ท า, าให้ใจเราเฉยได้ก็ใช้ได้ะไดนะเป้าหมายก็คือไปทําให้เราเฉยอย่ายไปยินดีใจเสียใจอย่ายไปโกรธอย่ายไปอะไร<บ>ใครเขาพูดไม่ดีก็อย่ายไปโกรธเขาครับอาจารย์ครับโกรธก็ต้องระงับความโกรธด้วยสติ าาครับอาจารย์ครับก็วันนี้าาถามมีคำถามประมาณนี้ครับอืมอาะคุณปิยาต่าต์ปิยาลามอยู่ที่ไหนยังไม่เปิดไหม ย, ยังไม่เปิดอ่าเปิด<า>นะครับคุณอาจารย์<น>อยู่ที่ไหนอ่าอยู่เก่พระอาจารย์อยู่กรุเทพกรุงเก๊กค่ะ<า>ษษอ่ากเค่ะ ออยู่ภูเก็ตค่ะพระอาจารย์ค่ะเสียงขดกหายหายแต่พูดไป พ, พูดไปพระอาจารย์ดได้ยินไหมคะขาดกาหาหายขาดการหายหายลองพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆค่ะ อ, อพอดีจะถามเรื่องการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์คืออหนูพยายามจะไม่ไม่คิดนะคะหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่เคราะห์อย่างที่พระอาจารย์เคยเคยพูดไว้ว่า เวลาเข้าสมาธิไม่ไม่ควรวิเคราะห์ใช่ไหมคะให้ค่อยออกมาวิเคราะห์ข้างนอกอค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งอ่ะค่ะพอดีว่าอาการปวดแขนกำเริบก็เลยนั่งสมาธิตอนนั้นเลยทีนี้ตอนตอนช่วงแรกๆอ่ะค่ะอาการปวดก็ยังยังรับรู้ได้ค่ะแต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งอะค่ะอาการปวดค่อยค่อยเหมือนจะค่อยคยหายไปค่ะแล้วก็ เหมือนยังยังรับรู้ได้เป็นบางจุดนะคะที่ยังเจ็บจี๊ดมาแต่ว่าพอลองใช้สติมองอะคะ่ะเหมือนแบบจ้องไปตามจุดที่ปวดอ่ะคะ่ะคืออาการเจ็บตรงนั้นนะ่ะหายไปแล้วก็กลายเป็นว่าไปไปเกิดขึ้นตรงอื่นเหมือนสลับกันแต่ละจุดนะคะพอมองตรงนี้ก็หายแล้วก็ไปเกิดตรงอื่นจนจนผ่านไปสักพักนึงอะคะ่ะความความปวดที่เคยมีก็หายไปเลย ก็คือไม่รู้สึกปวดเลยค่ะในในสมาธิอ่ะค่ะแต่ว่าพอพอออกจากสมาธิอาการปวดก็ค่อ ย, ค, อยค่อยกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้คือคือการพิจารณาเวทนาไหมคะพระอาจารย์หรือว่าควรควรทํำไหมคือการพิจารณาเวทนาก็คือพิจารณาว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวปวดเดี๋ยวไม่ปวดเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ วิธีที่ปฏิบัติกับมันก็คือยอมรับมันไปอย่าไปอย่าไปทําให้มันหายอย่าไปพยายามทําให้มันหายอืมค่ะมันจะหายเข้าไปมันหายเองมันไม่หายได้มันอยู่ของมันไปเพราะถ้าไปอยากพยายามทําให้มันหายมันไม่หายมันจะทําให้เราทุกข์เราต้องดูที่ใจเราว่าเราทุกข์กับมันหรือเปล่าค่ะก็เหมือนถ้าถ้า นั่งไปนานๆแล้วทีนี้เนบเนบเริ่มกินขาเงี้ยค่ะก็คือก็รู้ว่ามันก็รู้เฉยๆไปเรากินค่ะรู้ว่าเราไม่เราห้ามมันไม่ได้สั่งมันให้มันหายไม่ได้ก็ก็ต้องให้มันอยู่ของมันไปแล้วก็อยู่ของเราไปค่ะเข้าใจไหมเราก็เฉยๆไปถ้าทำใจเฉยๆไม่ได้กับพุโทโธพุโทโธช่วยให้มันเฉยเลยนะ ทีนี้ถ้าถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆจนจนความรู้สึกที่ว่าเคยแบบเจ็บตรงนั้นหายไปแล้วก็ก็คือก็คือให้เฉยต่อไปใช่ไหมคะอ่ก็รู้ว่ามันหายไปนู้ว่ามันหายไปรู้ว่าอยนี้มันก็นกลับมาใหม่ได้ใช่ไหมค่ะอืมเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ที่การควบคุมมันก็้าหมายของเราคือสอนใจให้เราไม่ไปทุกกับมันค่ะ <c oughs> ได้ที่เราทุกพราะเราอยากไปให้มันหายบ้างไม่ให้มันหายบ้างเราก็เลยทุกเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้อยากให้มันหายเราไม่หายมันก็จะทําให้เราทุก <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ได้มีความอยากมันจะอยู่ก็อยู่ไปไม่หายก็เหลือมันแล้วถก็หายอยู่ประมาณไปเราก็จะไม่ทุกค่ะพระอาจารย์เข้าใจนะเข้า <c oughs> ใจคะ่ะเข้าใจแล้วค่ะ มาได้แค่ะก็มีเท่านี้ค่ะอขอบคุณพ่อจ า, านค่ะคุณเมย์มยได้ยนดินหรือเปล่าเมย์ไปไหนนะเมื่อก้เห็นมาเดี๋ยวข้ามไปก่อนนะมาแล้วกรับมาติดการพ่อาจานเจ้าค่ะขอโทษด้วยค่ ะ, <น>ะกําลังวิ่งไปห้องน้ําได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินเพิ่งกล<ช>ับมาจากบ้านเพิ่งยัทํางานเน่ยถึงสักครู่แล้วค่ะพา่อจารย์ก็ไปอยู่กับคุณแม่แป๊บหนึ่งนะคะ วันนี้ลุกไม่มีอะไรนะคะมาหน้าฝันอากาศอาจารย์ตาสามทุ่คเก้าที่กอล์ฟโซล่าอยู่ที่โุล่าหรือกฮโหลสวัสดีครับอยู่ไปคอนแก่นมาครับพี่สาวรับปริญญาครับอาจารย์ใช้ที่ศึกษไปคอนแก่นครับคอนแก่นที่มอขอเอาว่าจัน อ๋พอพี่สาวเราจบด็อกเตอร์ครับคณะแพทย์ศาสตร์ครับเภสัช ว, วิทยาครับกรารใช้เป็นกับเภสัชเหมือนกันด็อกเตอร์เหมือนกันเลยสวัสดีครับน่านรักครับคนคนคอนเทนต์คนอีสานน่ารักครับรก็ก็มีครับก็ ก, ก็รู้สึกว่าพี่สาวก็จบปริญญาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้เข้ามาทางทำอะไรเงี้ยคือ ท, ท, ทางใครทางมันทางใครทางมันรถรถไฟคนละขบวนกันไปสับลางไปให้เขามาไม่ได้เขาไม่มาเพราะว่าเราไปทาของเขาเขาเขาหลอกเขาหลอกว่าจะพาไปวัดพาไปนั้นไปนี้ที่เขาดีกัล่มไม่ได้ไปเลยเขาจะก็ไปแสดงความยินดีครับส่วนส่วนเรื่องที่ไปฝึกมาก็เรื่องรดน้ําหนักครับก็คือแพ้ครับแบบเดี๋ยวเดี๋ยวอาจฉริยะใหม่ครับ อ่าเดียวดูอ้วนกันเยีอย่อะไรหน้าหน้าโบหน้าบอะไรหน้าตมือไ้ครับอาจาอ่ากราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์โอเคไม่มีอะไรนะไม่มีครับคุณบอดตบาบอดพัทยากรับนมคัสกการะอาจารย์ครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินก็ปฏิบัติอยู่ครับก็สบายกับ คือมีมีคำถามคำถามเดียวค่ะพระอาจารย์มคมาก็คือตอนคือผมสอนสอนใจตัวเองว่าผมคนเล่นฟันหนังก็ก็เอาไว้ดับความความอยากของเราที่ที่เราเห็นเพื่อตรงข้ามก็ก็ดับได้ดับได้มากมากกว่าสมาธิอะครับทีเนี้ย เราก็คิดว่าเราดับได้บ่อยแล้วแต่บางทีมันอะอย่างนี้มันก็โผลขึ้นมาอีกอนะ่ะผมผมควรทำยังไงต่อเอะยเอ้ยคอยหยุดมันได้ก็ยหยุดมันต่อไปดิไม่เป็นอะรเราชนะมันแล้วเราต้องชนะมันต่อไปได้อืมครับเอ่อผมเข้าใจว่าการที่เราทำแบบนี้ไปจุดมุ่งหมายก็คือให้ให้ใจเขาวางไปเองเอันนี้ถูกถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ ก็ถ้ามันยังไม่วางก็ต้องทําให้มันวางมันทําไปเรื่อยๆถ้ามันอัยากอยูอย่ก็ต้องหยุดมันไปถ้ามันมันมันหายอยากแล้วก็ไม่ต้องทำํำเลยขอขากคุณอาจารย์คะมีมีท่านี่ไอเคอับคนมาเลยอยู่ทากาศใช่ไหลาะเนี่ยสรวสาวลงหล่อค่ะอยู่ทากาดค่ะ หายไปแล้วใ่แลหายไปใช่มหายไปหนูนั่งนั่งแล้วมันเลยเลยเวลาออกมามันเกือบจะห้าทุ่แล้วค่ะั่งยาวไปอืมดีไม่เป็นไรนสมายที่บ้างกดีพอ อ, อออกมาแล้วอ่ะเลยเวลาไปแล้วหลงพ่อน่าจะปิดรายการไปแล้วแต่ไม่ไม่ไม่ได้เข้าค่ะลงพ่อทั้นคือหนูก็ฝึกอยู่ทุกวันค่ะหลวงพ่อแต่ว่า เหมือนตอนเนี้ยมันมั น, ม, นมีความสุขมันจะเป็นอุปสรรคในการทํางานในชีวิตประจําวันของเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันจะดึงให้เราเข้าสมาธิอยู่ตลอดอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อแต่หูเนี่ยได้ยินได้ยินหมดเลยว่าใครพูดอะไรแต่เราแต่ว่าข้างในเราอ่ะมันจะเหมือนมันจะล็อกให้เรานิ่งนิ่งแบบไม่ไม่คิดอะไรเลยนะค่ะหลวงพ่ อ, ถ, อถ้าเราไม่ใช้งานใช้าการก็ไม่เป็นไร ก็ไม่เป็นค่ะแล้วแล้วทีเนี้ยไอ้ที่มันมันสงบเดี๋ยวมันก็เข้าเดี๋ยวมันก็รวมคืจิตเนี่ยมันจะรวมใช่มับ่อยๆแล้วมันมันจะมันจะเป็นไปตามอัตโนมัติจมวันพอถึงเวลามันก็จะเข้าไปน่ปใช่ค่ะพอแล้วแล้วอันเนี้ยมันจะช่วยช่วยให้สติเราดีขึ้นไหมคะถ้าสามันเป็นแบบเนี้ยมันมันแสดงว่าเรามีสติมันถึงเข้าได้ถ้าไม่มีสติมันก็เข้าไม่ได้ แล้วพอเป็นแบบนี้ฝึกแบบนี้มันก็จะสติกำลังสติเราอะ่ะก็จะดีขึ้นแล้วเวลาเราเราจะมาพิจารณาทางปัญญาอันนี้มันจะช่วยได้ใช่ไหมคะหลวงพอ่อหมายถึงว่า ม, มันจ ม, มันก็จะทำให้เราพิจารณาเรื่องที่เราไม่กล้าพิจารณาได้หรือที่เราไม่อยากจะพิจารณาได้ก็อันนี้หนูก็ไม่มีอะไรคะ่ะเพราะว่าวันนี้เกือบจะ เกือบจะทั้งวันเลยคะหลวงพ่อคืนนั่งแล้วมันมันดึงอยู่ตลอดอยู่ตลอดเวลาค่ะวั น, นี้เยอะเยอะมากๆเลยค่ะก็ดีนะจิตมันสงบมันก็ไม่เสียหายตรงไหนจิตมันสงบมันแนงมันเย็นก็ดีค่ะแล้วเดี๋ยววันที่สามสิบเนี้ยค่ะหนูก็จะไปไปวัดไปวัดป่าค่ะหรือประมาณวันที่สองเมษายนก็เลย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวใหม่เท่าไหร่ได้เราไปเที่ยวทำๆหนะะึนะ่งอ่ะนะค่ะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะดถแข่งทำชนะรถทั้งปวกนะเขาคือหนอัวมันมีเวลาว่ามันก็จ ะ, จะมันก็จะเข้าไปนั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะไปไปชนกับท่นู่นแว่ามันเป็นอัตโนมันตินั่นแหละรถ แล้วที่เครื่องมันติดแล้วไม่ต้องคอยเข็นมันมันก่อนต้องคอยเข็นก็คอยพักคอยบางข้ามให้มันไปไนั่งอย่างนี้มันมันใหญ่จะไม่นั่งเองนะพอมีเวลามันต้องไปแล้วแล้วข้างสมมุดเวลามันมันตื่นแล้วค่ะหลวงพ่ออย่างวันเช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์เนี้ยหนูตื่นตีสามอย่างเงี้ยหุวงพอมันก็ทําต่อไปจนถึงตีห้าครึยาวยาวไปพอตอนสายสายทำธุระอะไรเสร็จ มันก็จะกลับขึ้นไปไปนั่งไปอยู่อย่างนี้นขนห้องออก็จะไปทำไปทั้งวันเลยมันนั่งให้มากที่สุดตอนดีมากไดยิ่งยิ่ ง, ง, งนั่งนั่งมากได้เท่าไหร่ยิ่งดีไม่เสียหายอะไรแล้วอันนี้มันจะถือว่ามันจะสะสมกําลังของเราไหมคะมันจะสะสมโมเดิร์กสะ ส, สมความสงบความนิ่งให้มากขึ้นแล้วต่อไปเวลาจะใช้ปัญญาหยุดกิเลสก็จะหยุดได้ง่าย ต อ, อนนี้หนูรายงานหลวงพ่อประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อห <Okay. S 1> นูจะพยายามแล้วก็ไม่ทอ้อแต่ว่าวันอาทิตย์หนูก็มีถามหลวงพ่อไปนะคะคือมันมีบางเว็บที่ว่าถ้าถือว่าเราเราตั้งความหวังไว้สูงแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงมันจะมีเว็บว่านี่เราเราจะท้อเราจะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็จะไม่ไม่ข อ, อตั้ ง, งตั้งเอาตั้งจุดที่ใกล้ที่สุดเหมือนเอาไปที่ละจุดแบบที่เราไปไนะ้ายแล้ว นั่งรถเมย์เอทีลเป้ายมันเอไปเอาป้ายสุดท้ายค่ะได้เก็บไปทีลเป้ายแล้วนะเก็บป้ายนี้เราไปเก็บป้ายต่อไปแต่ไม่ไม่ถอยนะคะหลวงพ่อไปไม่ถึงแต่ก็ไม่ถอยกาไม่หยุดทําไม่หยุดทําไม่ถอยไม่หยุดไม่ถอยทำไปเรื่อยๆป้ายสุดท้ายของเราค่ะมันหยุดป้ายสุดท้ายตอนนี้ป้ายนี้เอาป้ายนี้ก่อนอิเลกตัวนี้ตัวนี้ก่อนลางยนตัวนี้ะตัวนี้ไปก่อนะ แล้วเมา่มาเม่าวันจุดวันเสาร์หนูไปดูสถานที่มาที่นึงอะค่ะหลวงพ่อแต่ว่าเขาเขาไม่รับถ้าเป็นมีผู้หญิงคนเดียวนไยเขาไม่รับหลวงพ่อเนีย่ยเขาบอกต้องมีดูโอ้ไปเป็นเพื่อนอะไรเนี่ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ที่ที่ว่าใกล้ๆแล้วจะไปและะ้วก็เลยเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เราไปที่ไหงอ่าก็ต้องหาที่อื่นไป แ้วที่เขามีนโยบายไม่เหมือนกันค่ะได้ครับของพ่ออันี้ประมาณนี้ค่ะกลับคุณพ่อไคุณปาคุณธนพต่อมาทอมอนังวัชการครับนักวัชการเจ้าผาภาชไไหนมาไปงานข้างนอกมาครับวิกลับมาเมื่อกี้เองค่ะขกลับมาเข้าสู่งอดีพอดีเลยค่ะ อาจารย์เจ้าค้าปลามีคําถามค่ะเอ่อเมื่อวันวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเอ่อปาเกิดอุบัติเหตุโดนหมามันลากอะค่ะพระอาจารย์มันมันมันมันอัเลิศแล้วมันก็ลากเรากระชากตัวปลิวเลยค่ะแล้วหน้าก็แบบทะลายไปกับโล้แล้วแขนขาก็โดนได้พวกหินหินกวดอะค่ะเป็นแผละค่ะจีงเนี่ยหลังตอนที่เกิดเราไม่ได้รู้สึก ถึงคำถามนะคะแต่พอผ่านไปแล้วมันนั่งคิดเนี่ยค่ะคือตอนแรกเนี่ยมันจะเจ็บที่มือแล้วพอมันเจ็บเนี่ยเราก็มาพิจารณาค่ะอาจารย์พิจารณาว่าเออมันมันมันเกิดมันเป็นความความเจ็บเนี่มันเป็นทุกข์มีสมุทัยที่เกิดจากเออนึกถึงคำพระอาจารย์นะคะว่าการมาตัญหาก็ไม่ใช่อ๋อมันไม่เป็นวิภาวัตตัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยแล้วก็พิจารณาว่ามันเป็นท่าสี่ขันธ์ห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มอง มองความเจ็บจนมันมันหายเจ็บไปเองอะค่ะพระอาจารย์พอมันหายไปปุ๊บมันก็จะมาเจ็บเจ็บที่หัวเข่าแล้วแบบเจ็บมากมันเจ็บที่หัวเข่าอะค่ะพระอาจารย์เราก็พิจารณาเหมือนเดิมอีกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จนนันดับพอดับปุ๊บมันก็ไปเจ็บที่ข้อศอกอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันเหมือนกับว่าสิ่งที่ปลาสงสัยเนี่ยว่าทําไมความเจ็บเนี่ยมันไม่เจ็บพร้อมกันแต่ว่ามันเจ็บต่อต่อต่อกันแล้วก็มาเจ็บที่หน้าเนี่ยลําดับสุดท้ายอะค่ะพระอาจารย์ ก็มันเป็ น, น, นาหน้ตาต่างัเป็นธรรมาชาติของร่างกายเราไปเราไปมันเป็นของมันอย่างนี้เราจะให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมต้องให้มันเป็นอย่างอืงอ่นก็มันเป็นของมันอย่างนี้เราจะทำไมต้องไปทําไมด้วย่ะถ้ามันเป็นของมันอย่างนี้เนี่ย่ะหมายความว่ามันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมครับอาจารย์ <S <S เ, เคยหรือเปลว่า มั น, จ ะ, ม น, นจะต้องมันจะต้องเป็นพร้อมกันด้วยนะมีกดที่ไหนหห ม, ไมันจะตมันต้องเป็นพร้อมกัน <c oughs> ไม่รู้ก็ไม่รู้เลยก็มันเป็นอย่างเนี้ก็ร่วมเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเราอย่าไปทุกขกับมันแค่นั้นน ะ, นะนะบาหมายค่ะพระอาจารย์แล้วเวลาถ้าเราเจ็บอย่างเนี้ยจริงๆแล้วที่ถูกต้องเนี่ยเราควรพิจารณายัางไง อ, อ่ะค่ะอ่าเจ็บก็รู้ว่าเจ็บแหละ อย่าไปโกรธอย่าไปเสียใจอย่าไปทุกข์กับมันก็ดูมันเฉยเฉยเช่นดูมันเฉยเฉยไปอย่าไปกลัวกลัวนี่ครับเป็นว่าจะไม่หายกลัวมันจะเป็นมากกว่านี้อย่างนี้มันก็เป็นอันนี้แหละเป็นทุกข์ทางใจไม่ใช่ทุกข์ทางร่างกายอืที่เราปฏิบัตินี่เราทุกข์ทางร่างกายเราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะเป็นยังไงก็รู้แต่ความเป็นจริงของมัน แต่แต เ, รเราไม่ไปปลุกทันต่ อ, ตอที่เราต้องการคือไม่ให้เกิดความทุกข์ทางใจที่เกิดจากความกลัว ก, ก็เด็เกิดความอความไม่อยากเจอมัน เ, เด็กเกิดความอยากจะให้มันหายเจ็บอย่างนี้อันนี้ต้องทุกข์ทางใจเราต้องละ ต, ต้องดับมันแต่ทุกข์ทางร่างกายเราไปดับไปสั่งมันไม่ได้มันจะเกิดตรงนั้นเกิดตรงนี้เปลี่ยนไปตรงนั้นมาตรงนี้ก็เรื่องของมัน เราอย่าไปทุกข์กับมันว่าจัดแล้วก็หน้าเป็นแผลด้วยค่ะแต่ว่าต้องม้าใหญ่เลยนะถึงจะเลี้คนได้ตัวใหญ่ใช่พอดีพาเขาไปเที่ยวแล้วเขา a ร e r t ่ะคะแล้วค่ะเรากำลังจะสอนลูกแล้วเราหมายถึงว่าเรามีเชื่อบมัดคออยู่แล้วเขา้าตัวเราไป่เงี้ยใช่เหมือนเหาะเลยค่ะ หาใหญ่นะต้องเป็พวกอะไรพวกหมาพะเหล่าใช่ไหมครับใช่พวกเครื่องเทปนี่หน้าหน้าเป็นแผลแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่ามันหน้าเกลียรดเลยค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่ามันก็เหมือนเป็นเครื่องประดับอันนึงที่อยู่บนหน้าค่ะอืมก็ดีก็แสดงว่าไม่ทุกข์กันมาไม่ทุกข์กันมาไม่ทุกข์กันมาแล้วอย่งไม่ต้อ้ว่าเดี๋ยวเราเป็นแผลเป็นต่อ วิตกกังวลหวาดกลัวขึ้นมาเนีเป็นกิเลสแล้วพระอาจารย์ป้าไม่รู้สึกว่ากังวลว่ามันมีอะไรบนหน้าไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเกลียดแต่ในขณะเดียวกันป่าก็ยังมีความรู้สึกยังรักสวยรักงามอยู่แต่ไม่สนใจตรงเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็าจจะเป็นเพราะว่ามันมันเป็นเป็นสิ่งที่เรารู้มันมันมันเป็นแล้วจะทำอะไรมันไม่ได้ก็ความันเป็นไป แต่ว่าก็ยังอยากแต่งตัวสวยอะไรเนี้ยก็ยังยังมันยังเหมือนก็ยังละไม่ได้ก็ยังชอบการแต่งตัวอยู่อะค่ะพ่อจ้าก็ยังละไม่ได้ก็รู้อย่างละไม่ได้ละได้บางอย่างบางอย่างก็ละได้บางอย่างก็ละไม่ได้ค่ะเดี๋วค่ะโอเคเราไม่มีคําถามครับตาแม่จะละได้ก็ได้ตาแม่จะกอดหัวก็ได้เดือดร้อนเลย ตอนตอนนี้ยังอยากเปลี่ยนสีผมอยู่ตอนนี้ยังคือถ้ามันมีความสุขทางใจมากขึ้นต่อไปความสุขทางกายมันก็จะละได้ตอนนี้ยังอาศัยความสุขทางร่างกายทางความสวยงามเพรอหน้าตาสวยงามน่เกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าอาจารย์มันความมีความรู้สึกว่าของสวยงามก็ชอบแต่ว่าพอมันไม่สวยเนี่ยมันไม่ไม่กังวลนะค่ะพระอาจารย์ค่ะ เราเลิกความไม่สวยได้แต่ก็ยังมียังยังแต่ยังอยากได้ของความสวยอยู่ใช่ใช่ค่ะใช่ถ้เป็นกังวลถ้าเป็นกังวลก็ลองโกนหัวดูเถิดดูนี่ยกังวลจริงหรือไม่จริงไม่กังวลจริงหรือไม่จริงมันก็ลองโกนสักวันผ้าเดียวเนี่ยเดือนนี้มันโวนตามผหรือทดสอบใจอยูถ้าลองทดสอบดูสิมันยากเย็นยังไงนะ มันไม่รู้สึกอย่างนั้นนะพะอตาลองดูสิลองดูมันเธอรู้มันต้องรู้จากการกระทาไม่ใช่รู้จากคำคิดหรอกกิเลสมันหลอกเราได้เราไม่ต้องไม่กลัวความไม่สวยงามหรอกแค่นั้นเอง้ไม่กลัวก็ลองกลัวดูสักอาทิตย์เดียวเดือนเดียวเดือนเนี้ยทั้งเดียวใช่พร่อตาอันนั้นเหมือนเราตั้งใจไปทําแต่ว่าถ้าเกิดมันเหมือนกันนะตั้งตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เกิดขึ้นได้นั่นนะอืม แล้วถ้าเราอยากจะพิสูจน์ไงว่าอ้าถ้าเราเราไม่เต็ด ก, กับความสวยงามของร่างกายแล้วก็โกนดูต<า>อนที่โกนผมมันใช่ไหม<ต>เออแล้วบางทีมันหลอกเราทีแ่แบบมันหลอกเอาเรื่องตัวนิดนิดมาหลอกเราเพื่อวางให้ตัวใหญ่ๆหญ่ไว้ไม่ให้เราไปไปแตะไอ้ตัวใหญ่ๆหญ่โดยเอาเรื่องตัวเล็กๆอย่างที่เหตุการณ์นี้ใครก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยใช่มันตัวเล็กมันนิดเดียว วิวตาไปถ้าไม่ไม่กังวลกับความไม่สวยก็เวลาออกจากบ้านก็ไม่ต้องแต่งตัวมันไปงี้เลยไม่ถุงผีเท่าหรือผมเลยไม่อ่าจ่ายอะไรก็ใส่ไปเลยก็ก็ไม่ค่อยกังวลนะพะอาจารย์แค่ไม่ไม่รู้สึกกังวลว่าใครจะมองยังไงแต่ว่าบางวันก็อยากอยากแต่งตัวแต่บางวันก็เฉยเฉยอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่มันเหมือนมันไม่ค่อยแคร์แล้วอะค่ะ แต่ก็ยังแต่ก็ยังมีอยู่ยังแคร์อยู่ยังอยากสวยอยู่ก็แครตัวเองแค่ตัวเองค่ะโอเคนะค่ะพระอาจารย์น้อมักการต่อดี่เจ้าค่ะคุณพัชวชิร์เชนคุณพัชเวชิร์อยู่ที่ไหนครับน้อมสักการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่บางกรวยค่ะมีอะไรไหม ไม่มีอะไรค่ะเข้ามาฟังทำพระอาจารย์แต่ทุกครั้งก okay, cool. cool. ็จะฟังจากเ facebook ก็คือเข้ามาที่ zoom ครั้งนี้ท okay. ั้งที่สองค่ะพระอาจารย์ได้ได้ค่ะอาจาไปที่ท่านต่อไปคุชันิสาอยู่ญี่ปุ่นเอ็นยังไงอาทิตย์นี้กราบค่ะอาจารย์ค่ะสรุปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ไม่สบายเป็นคนละนัดรอบที่สองค่ะวะอาจารย์เอออืม อาการไม่ดุแรงค่ะพระอาจารย์เมตตาไว้พ่ให้ว่าขอให้ไม่ดุแรงไม่ดุแรงจริงด้วยค่ะรอบนี้ชิวๆมีไข่ยอยู่ประมาณสองวันสามวันค่ะแล้วก็ทราบได้ว่าเ อ, อโควิดนี่มันมั น, ม, นมันเบาวกว่าตัวไข้หวัดใหญ่ที่เป็นรอบที่แล้วเยอะเลยค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้มันมันเป็นโรคประชามประชามถิ่นไปแล้วนไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดุแรงเหมือนเมื่อก่อนใหม่ๆ ค่ะไม่ค่อยรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนใหม่ๆอ่าทางการญี่ปุ่นเขาก็มีฟ o ลโล w นะคะคราวนี้เขาให้อยู่ที่บ้านแค่ห้าวันครั้งที่แล้วเนี้ยสิบวันค่ะก็ดีขึ้นละค่ะแต่ว่าเป็นอุปสรรคต่อกันนั่งสมาธิแล้วก็อ่าภาวนามากเลยค่ะทำยังไงมันก็มันก็เร้โยมจิตสงบไม่ได้เลยค่ะมันก็มันก็มีอุปสรรคก็ต้องยอมลับมันไปช่วงน้อย่าไปอ ไอ้ที่เวลาดีๆไม่ทำมันมันจะมันยาวทำตอนนี้ไม่ดีเวลาดีๆก็ไปเที่ยวดีเวลาเวลาเวลาหายป่วยก็ไปเที่ยวมัดีกว่าพอป่วยนี่อยากจะทํำสมาธิขึ้นมาไม่ค่ะแขงขันไม่ให้เออเวลามันไม่อํานวยก็อยากจะมาใช่มันเวลามันอานวยก็ไม่เอามาใช่มัน เรอค่ะใช่เลยค่ะพระอาจารย์พอมีเวลาว่างเยอะมาลองนั่งสมาธิดูสิทํำยังไงก็ไม่ลงนั่งๆได้แป๊บนึงโอ๊ะคิดปเป็นเรื่องนี้เรื่องนี้ละพระอาจารย์บอกว่าไม่ต้องไปขมมันเอาไม่ข่มงั้นงั้นลุกไปละกันเพราะว่าจิตมันฟุ้งมาก<ม>ลุกไปนั่งไถ่ไถ่ไถ่ไถ่ดูข่าวดูอะไรเสร็จแล้วกลับมาใหม่อยังยังไม่กลับมานะคะก็ต้องนั่งทําทําสติก่อนสักพักหนึ่ง ให้พุทโธพุทโธพอพุทโธพุทโธไปมานั่งทาใหม่ได้แป๊บนึงก็เอาอีกแล้วค่ะฟุ้งอีกแล้วค่ะอันนี้คือเป็นเป็นปกติของผังขาสติเรามีน้อยสติเรามีน้อยต้องฝึกสติไม่ควรไปไม่ควรไปนั่งนั่งนั่งจนกว่ามันจะนิ่งใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ามันไม่มีสติมันก็ไม่นิ่งขนั่งงานมันก็ไม่นิ่ต้องฝึกสติในระหว่างนันกัอน ถ่าะก็คือพุโทโธพุโทโธไปก่อนยังไม่ต้องนั่งเลยถ้าช่วง<ำ>แบบนี้คอ okay. เอาพุโทโธตั้งแตบที่เรายัางไม่ได้มานั่งเลยตั้งแต่เติมขึ้นมาเลยกดสติไปก่อนอืมคือมันแบบหายไปหมดเลยอะค่ะพระอาจารย์จากที่เคยแบบเออปกติมันเข้าอย่างนี้แล้วทำสงบแบบนี้แล้วมันมันจะสว่างแล้วมันจ ะ, ะนิ่งได้ปรากฏ ห, หายไปเลยลลสติหายไปเลย <laughs> หายไปหมดเลยค่ะต้องไปตั้งสติใหม่ต้องไปเนืสร้างสติขึ้นมาใหม่อ๋อค่ะอันนี้เป็นเพราะเป็นเพราะเราฝึกสติไม่เพียงพอด้วยหรือว่าเป็นเพราะสังขารหรือว่าเป็นเพราะตัวเวทน า, าด้วยเป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของสติส ต, สติมากกว่าใ ช, ใช่ไหมคะใช่แล้วพอไปเจอสังขารเจ็บมมันก็ยิ่งทําให้สติยิง่งยิ่งหายไปใหญ่ประมาณนั้นนะ วิตกกังวลอะไรต่างๆมากขึ้นค่ะอาจารย์คะในเคสกรณีแบบเนี้ยกรณีที่เรามีเวทนาแบบเนี้ยค่ะปกติเนี่ยเขาจะเขาเรียกอะไรนะคะอฝึกจนกว่าเวทนามันจะหายไปหรือว่าเพราะมันข<ะ>ึ้นอยู่ที่เรามีกําลังฝึกหรือเปล่าใช่เป้าหมายคือต้องฝึกดังนั้นถ้าเราอยู่ใจเรานิ่งเราไม่ดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกาย มันจะหายไม่หายไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ใจเราไม่ไปเดือดร้อนกับมันไม่ไปทุกข์กับมันมใจเรานิ่งไม่ได้มาแทงให้เวทนาหายไปเวทนาจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้แต่ข้อสำคัญแล้วการให้ใจเรานิ่งกับกับเวทนา อ, อย่างอย่างเมื่อวนันสองวันก่อนนี้ที่ที่พยายามลองนั่งอ่ะนะคะ คือเราเราทนเราทนกับความเจ็บป่วยได้ไหมถึงปวดหัวหรือว่าปวดตัวอย่างเงี้ยเราทนได้แต่ไอัที่มันไม่นิ่งเลยก็คือใจอันนี้ก็คือสติเรายัางมีไม่พอควบคุมใจใอืมค่ะก็ต้องกลับไปฝึกสติสตมาค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะาพระอาจารย์ครูเน่งต่อพัทยา ก็ดีอ่าวุไ่วได้นะค่ะได้ยินไหมคะอาจ า, า, า ร, กการาย์ชัดเจนชัดเจนค่ะการรักษาการอาจารย์ค่ะก็ก็มารายงานผลในเรื่องของการฝึกอะค่ะอาจารย์สมาธิ<ม>อ่ซึ่งนำไปใช้กับงานก็เหมือนกับว่าได้ได้ผลอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเป็นงานในเรื่องของของสอนก็คือไม่เท่าไหร่ ว่าไปทําในเรื่องของอสังหาผู้ป่าผู้คนมันก็ทําให้เราได้เหมือนกับว่ามันมันแบ่งเป็นสองสองด้านนะคะพระอาจารย์ที่พยายามคิดว่าอันนี้มันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำหรออะไรเงี้ยนะคะพระอาจารย์ว่าเออมันใช่ไหมคือมันมันตอบเหมือนมันต่อต้านกันอยู่อะค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะเรา เราเอาสิ่งที่ที่เราคิดกับสิ่งที่เราทำแบบนี้มันมันมันคานกันหรือเปล่าในแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้ก็ยังงงงกับตัวเองบางครั้งอะค่ะแล้วก็ยังยั ง, งงงกับคำพูดหรืออะไรของคนอยู่นะคะอาจารย์มันก็เลยเป็นป น, นี้ค่ะคือ เ, เต้องดูความจริงเนี่ยไปยืนยันแต่คำพูดคนจะพูดอะไรับพูดไป คว า, า, ามจริงมันเป็นตามที่เขาพูดหรือเปล่าค่ะค่ะพระอาจารย์ก็พยายามเอาเอามาไต่ตรงนะคะพระอาจารย์ว่า<ม>เป็นเป็นแบบนี้ไหมเป็นอย่างนี้ไหมนะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดมากเพราะว่าบางเรื่องมันก็ต้องได้ตัดสินใจที่จะทําบางเรื่องก็คือจะต้องให้มันผ่านไปนะค่ะพระอาจารย์ก็ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่มันพยายามให้มันถูกต้องที่สุดอ่ะค่ะพระอาจารย์<ต>ก็เลยต้อง ที่ได้รับข้อและก็ทําไปแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามที่เราคิดแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่ามั น, ม, นมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็เท่ากันค่ะค่ะพระอาจารย์อันนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นในเรื่องของการที่เราจะต้องต้องฝึกใจที่จะยอมรับด้วยใช่ไหมคาารับพระอาใช่ต้องฝึกใจว่าต้องยอมรับบางทีก็สมหวังบางทีก็ผิดหวังบางทีก็ถูกหลอกถูกต้องจรค่ะพระอาจารย์แต่ว่า พอมาถึงประเด็นนี้นะคะที่แบบว่าอืมเราไม่ได้คาดหวังกับอะไรมันก็จะทําให้ใจเราสบายมากยิ่งขึ้นยกตัวข้าวมันเป็นความอยากข้าวมังก็คือกิเลสได้ค่ะแล้วหนูก็คิดว่าเอาได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้แต่วันนี้บางคนเขาก็บอกว่าอืมไม่ใช่นะเอาหนูก็บอกว่าถ้างั้นลเราผิดหวังมันก็จะทําให้เราเสียใจแต่ถ้าเราทําให้ดีที่สุด มันจะได้หรือไม่ได้นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็ไม่เสียใจค่ะนานๆนานอแล้วก็ไม่เสียใจคม่ได้เลยแล้วก็ไม่เสียใจขาดทุนแลก็ไม่เสียใจคพราะเราต้องยอมรับว่ามันเป็นไปได้ทุกทุกทุกรูปแบบทุกรูปแบบเพราะว่าหนูคิดว่ามันก็คือความไม่แน่นอนใช่ไหมคะอาจารย์่แาเนว่าอนันต์ตาคือควบคุมควงมข้มันไม่ได้ค่ะพระอาจารย์คือในเรื่องนี้ก็เลยแบบว่า ทำให้ตัวเองเหรอรู้สึกว่าใจเบาสบายมากยิ่งขึ้นถ้าเรารปล่อยวางแล้ว เ, าเบาสบายไม่ไปยึดไปไปตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ให้มันตั้งเป้าให้เราดีกว่าเข้าใจไหม ค, ค, ค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์เป็นอาหารหบุฟเฟ่มันไปกินอาหารบุฟเฟ่เขาวจะจัดมาให้เราเราไม่ต้องไปสั่งเขาเข า, าจัดอาหารบุฟเฟ่ให้เราไปเลือกเอาเองค่ะพระอาจารย์ แล้วก็เป็นในเรื่องของการฝึกสมาธิด้วยอะค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าจะจะเริ่มที่ที่จะได้จะเข้าอ่าได้ไ ด, ได้ได้เบามากยิ่งขึ้นคับพระอาจารย์แต่เพียงแค่ว่าอยู่คือทำได้ยังไม่ได้นานเพราะว่ายังบางทีนี่มันเหมือนกับว่าจิตของเรามันยังมันยังไปไปควนมีบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบเหมือนเหมือนหลุดออกไปคะคบะพระอาจารย์เราก็ต้องพยายามดึงกลับมาอันนี้ เป็นเหมือนการตามรู้ใจไหมครับพอาจารย์ก็เป็นการกำลัญสติเนาะปล่ยใจมันลอยค่ะอาจารย์เราก็รู้ว่าเอาไปอีกแล้วก็ต้องดึงกลับมาแบบนี้คะ่ะอาจารย์แล้วก็มามาลองเผลอสติครับปล่อยให้ใจลอยไปค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือการขาดสติใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่อ๋อค่ะอาจารย์ก็คือพยายามแบบรู้แล้วก็คือพยายามดึงกลับมาแต่ว่า ก็ก็จะไม่เหมือนเดิมคือมันเบามากยิ่งขึ้นแต่ก่อนมันจะคุ่นหงิดว่าอุยจะจะต้องเอาให้ได้แต่พอเวลาอ่ะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆไปก็เลยรู้สึกว่าเบามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือมามาถูกทางแล้วใช่ไหมครับอ า, าจารย์อาจาใจเบาใจเย็่ก็ถูกทางท่านใจหนักอกหนักใจก็ผิดทางนค่ะแล้วก็ก็รู้สึกว่าจะเป็นในในกับทุกเรื่องใช่ไมครับอาจารย์ว่าเพราะมัน คือม <ฮะ S 2> ันตายร่างหมดถ้ามองเหนตาร่างหมดใจก็เบางไมไปหวังอะไรจากเขาค่ะพระอาจารย์ก็เลยแบบวังแล้วก็พอไปหวังแล้วก็เครียดขึ้นมาจะได้เหรอจะได้หรือเปล่าจะเป็นไปตามที่เราคิดหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ก็ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคเอ่าก็เลยก็มาถามพระอาจารย์มามาถูกทางเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวแม่พี่น้งองหรืออะคะ่ะ ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับอาจารย์บอกสัพเพ昙มาพระเจ้าบอกค่ะตอนนี้แม่ก็คืออยากพูดอะไรบางทีก็เปิดโทรศัพท์ให้ท่านพูดไปครับพระอาจารย์อ่ใช่ใบก็พูดไปเขาอยากจะระบายก็เป็นคนใจว่าเราฟังเขาแล้วไม่ฟังค่ะค่ะพระอาจารย์ก็จนแบบอ่าท่านพูดไปออ่าแม่เหนื่อยแล้วใช่ไหมหรือว่าแม่อะไรเออเช่นี้แหละก็แค่เออเออเขาจะระบายแล้วก็สบายใจค่ะพระอาจารย์บางกีก็ขำขำก็คือเราก็เลยแบบ อ๋อพอปล่อยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรว่าอ่ะเข้าสบายใจแล้วก็คือจบไปนะคะแต่ก่อนยังม่เป็นความเสียก็เริ่มเป็นการแผ่เมตตาให้กับแม่อ๋อแล้วค่ะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคตอนนี้รู้สึกเราคือแต่ก่อยังแบบดูแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ที่แม่คือการระบายแล้วให้ระฟังเข้าปล่อยแม่ก็ระบายไปให้พ่อ่าอาจารย์ค่ะก็จะ ปฏิบัติต่อไปค่ะพระ อ, อาจารย์ค่ะ <น uren S 2> ขอบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะอ่าค่ะคือพระอาจารย์ข้าคคงคนคำแน่คำแน่ได้ยินไหม <S <S มาแล้วเก่านามาสการค่ะพระอาจารย์ <S 2> <S 2> โยมมาส่งกันบ้านค่ะที่ที่บอกพระอาจารย์ว่าจะจากทำในสัต ช, ชิกแล้วก็จะลองมาอดอาหารดูแล้วก็ได้ทําได้แล้วค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างดีไหม ก็ไม่ไม่รู้สึกหิวเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจแต่พรุ่งนี้วันวันพราแล้วมันช่วยทําใจให้สงบขึ้นไหมง่ายปฏิบัติทําง่ายขึ้นไหมได้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์อย่างอย่างพรุ่งนี้เป็นวันเกิดลูกสาวค่ะก็ต้องมีทําอาหารทําฉลองวันเกิดนะคะก็ต้องก็เป็นแบบทํำวันหนึ่งเลย มันหนึ่งเรายกให้แมให้ลูกสาวไปเราําวันอื่นทดแทนก็ได้ชดเชยก็ได้ยกที่ไม่ใช่วันพาร์ได้ใช่ไหมคะได้วันไหนก็ได้ทําได้ทุกวันค่ะสบายใจค่ะเพราะว่าผิดถ้าพลาแบบว่าถ้ามีเหตุการณ์ว่าจะต้องอยู่ในแบบว่าต้องอยู่ในแบบสถานการณ์ที่ครอบครัวต้องมีงานฉลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ต้องยกเว้นบ้างการปฏิบัติของเรามันตามนี้ยัง มันมันไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาก็ต้องยอมรับสภาพไปค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ทธาขตนแข็งแรงนะคะ<อ>กับโดยจักคุณชานิสาเอ็นเจว่าเขาก็อยู่ญี่ปุ่นมาแก่คุณชานิสารื่องอครัไม่รู้จกักบ้างอยู่รประเทศ ทีพี่คนหนึ่งแนะนำให้เข้ามาห้อง z พระอาจา ร, รย์แต่ว่า<อ>พี่เขาฟังทางทาง Facebook ค่ะค<อ>ือพี่กุ้งะ อ, อะค่ะรุจิส G A ค่ะแต่เมื่อกี้ชนิษาคุณไม่รู้จักข เ, เขาใช่ไหมเขาอยู่เข า, าอยู่ญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าจำได้ว่าคุณชนิษาเป็นโควิดตอนนั้นโยมไปฝรั่งเศสโยมก็เป็นโควิดต<อ>ิด <c oughs> จากนั้นพอดี่ะพอๆกันเลยค่ะ ช่วเกี่ยวกันอนี่จะเป็นโรคธรรมดาแ ล, ลว้วเหมือนโรคหวัดติดกันทั่วไปนะวันก่อนลูกชายโยมก็ก็เป็นค่ะแต่ก็ต้องกักตัวบ้านเลยค่ะอืมแต่โชคก็ไม่มีใครเป็นค<ด>่ะอืแต่ออกไปไหนไม่ได้ไม่ได้ ไ, ไ, ดไปโรงเรียนต้องยอมรับสภาพโอเคนะสวดีค่ะต่อไปอดได้ก็อดในสัชชิได้ก็ในสัชชิไปวันไหนไม่ได้ก็เว้นไปก่อน ค่ะพระอาจารย์ค่ะกับสาธุค่ะคาธุคุณสุทธาเสนเจนคุณหมอประทุมได้ดีในมรส ก, การท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคําถามนะคะโอเคยังปฏิบัติอยู่เรื่อยนะปฏิบัติอยู่ทุกวันเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ยาดีมากอย่าเลิกย่าหยุดนะท้องดีท้องดีเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์ อคุณหมอสะดวกไหมเห็นคุยกใครอยู่คุณหมอหน้าทวีพอมไหยสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนรสการครับมีอะไรไหมอ๋อครับพอดีวันก่อนผมออฟังทำท่านนะครับทางเทปนะครับก็เห็นท่านเทศเรื่องของฝันตอนหลับแล้วก็ฝันตอนตื่นครับอ่ะฮะ ว่าที่ว่าว่าเหมือนเราไอ้ที่เราอยู่จริงๆก็เป็นความฝันนั่นหนึ่งครับก็ฟังดูแล้วก็ก็คิดตามก็รู้สึกว่าเป็นกมันก็เป็นอะไรที่เป็นอย่างนั้นจีเพราะว่ามันก็ผ่านไปอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้มันกอผ่านมันก็เหมือนก็ความฝันครับอะแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็แต่ว่าแต่ว่ามันก็คิดว่ามันจะเป็นแค่จินตนาเป็นสุขตาแล้วก็จินตนาแต่ว่าอ่าก็เลยอยากถามท่านว่าทำยังไงให้มันจะปรับให้เป็น ภาวนามายปัญญาแล้วมันต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงเราถึงจะมีความรู้มีปัญญาอันที่เราต้องแยกตัวออกจากจากทุกคนเราเราถึงจะมองเห็นว่าทุกอย่างที่เราเคยสัมผัสทารู้เนี่ยมันเป็นเหมือนความฝันมันผ่านไปคนเราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันจะเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความฝันนะอันหลับตาฝันลนมตาพยายาหลับตาก็ฝันเรื่องโน้นเรื่องนี้พอตื่นมามันก็หายไป ก็ทำฝันตอนเดืมตายครับเพราะถ้าคิดอย่างนั้นมันก็เหมือนกับที่ท่านบอกอที่ท่านว่าเอ๊ะตัดบถ้าอการงานตัดครอบคมั็มันก็เอถ้าเป็นฝันมันก็แต่ว่ามันก็ยังเราก็ยังมันก็ยังไม่ได้มีปัญญาถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าแต่รู้สึกว่าต้องต้องปฏิบัติต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทําให้มันเยอะขึ้นอต้องปฏิบัติอยู่คนเดียวแล้วทีมาทีให้มันมากเป็นใจแล้วก็จิตมันแนงแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง หลายผ่านไปกับเพาะใจมันนิ่งแนละ้วมันก็เหมืคนนั่งดูหนังนี่การในการทุกอย่างไปเหมือนภาพยนตร์อืมครับฮะถ้าเราไม่ไปแสดงบทนั้นบทนี้ตอนนี้ยังแสดงเป็นหมออยู่แสดงเป็นนั่งอยู่นี่อยู่มันก็มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของหนังแปของของความฝันไปครับว่เรารมาปฏิบัติแยกตัวเราออกมานั่งสมาธินั่งเน่งไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรกับใครนะนั่นเองมันก็จะเห็นว่าอ๋อ อย่างมันก็เป็นในของความรับเป็นนะเพลงแต่เป็นคนดูอ่าในอืมครับนะใช่ครับนะแต่ไม่ไม่สาคัญนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของผลทอยหน้าที่เกิดจากการปฏิบัติเราจะทำให้เราเห็นความเป็นจริงของโลกว่าโลกนี้เป็นโลกของความฝันเทนะ่านัะอืมไม่มีสาระแก่นสารอะไรอครับนะเพอะตัวที่ที่ ที่เป็นตัวที่จะรับสาระแกสามันรับอะไรไม่ได้จากเรื่องของความฝันคือใจนี้เอาอะไรเอาอะไรจากโลกนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับเหตุการณต่างๆครับใจก็เป็นเพลงเหมือนแต่คนดูคนดูภาพยนตร์เนี่ดูความฝันนั่นเองครับถ้าเราก็ใจหลักนี้เราก็จะจะได้ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันชอืมคจะได้ไม่ไปทุกขกับมันทุกวันที่ทุกว์เพราเอาจริงอาจังกับมันนั่นก็ ใช่ครับมันเป็นนั่นฉันเป็นเขายังติดยังติดกันอยู่ครับอฉันมีสมบัติมีข้าวของมีอะไรต่างๆครับอต่เดี๋ยนทุกย่างมันก็ผ่านได้หมดนะผ่านะฮะใช่ครับนะฮะไมต้องยากตัวนเราเข้าใจแต่มันก็ยังยังเราจ้องลงจากเวทีแล้วมานั่งที่ข้างหน้าเวทีมานั่งดูคนแถลงบนเวทีตอันนี้เราอยู่บนเวทีก็ใช่ไหม ครับเรา <c oughs> เราเป็นตัวแสดงไปกับเขาด้วย <c oughs> ใช่ใช่ครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่เป็นตั ว, ต, วตัวฝันตัวตัวเล่นในความฝันในในฝันรเราต้องแยกตัวเราเปลี่ยนตัวเราจากบทเป็นนักสแสดงมาเป็นนักดูแทนมาฝึกสตินั่งสมาธิครับต่อไปพอเรามีสติมีสมาธิจิตมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรก็นั่งดูเฉยๆได้อืมครับนะ อันนี้เรายังไม่มีความสุขในตัวเราเองแล้วต้องไปเล่นเล่นลครกับเขาแล้วเราจะได้เป็นิวามสุขกับบทละครที่เราเล่นคใช่ไหมใช่ครับใชครับมันยังติดอยู่ไอไโลกนี้แล้วเราก็ยังมันก็ยังเป็นสมมุติแต่เราก็ก็เลยเรียกเป็นไป็นจริงเป็นจังเลยอยากไปจริงเป็นจงใช่ครับนะแต่าจริงทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับจิตก็แค่รู้มันก็ แต่มันก็ยังมันเข้าใจแต่มันยังไม่เข้าใจทางบรรยากาศแม่น้มันเข้าใจทางจิตคตาทางความคิดย่างเงี้ยไม่เข้าใจทางภาวนาครับต้องภาวนาต้องไปทำสมาธิเข้า็จะเห็นแยกจิตออกจากเหตุการณ์ต่างๆแยกจิตออกจากร่างกายน่าจะเห็นว่าร่างกายเป็นแต่ตัวแสดงตัวอย่างนั้นอืมครับครับได้ครับอ่าครับครับผมฮ่ พยายามฝึกสติฝึก ษ, กษมาที่ให้เยอะแล้วความดีตา่างๆจะเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นตามลำดับครับกลับฮกลับมาตอนนี้เรายังไหลไปกับกระแสของเหตุการณต่างๆปรุงแต่งไปกับมันเมื่อเรารรหยุดปรุงแตงแ่งเราถึงจะรู้ว่าเรามันเป็นเพียงแต่กระแสที่ไหลไปไหลไปเหมือนกระแสน้ําที่ไหลมาแล้วก็ไหลไป เหตการณ์ออกมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปผ่านไปผานไปครัเหมือนดูภาพยนตร์คเห็นแต่เราไม่ได้เป็นคนดูเราเป็นคนแสดงในในกรงศัพท์นะฮะเรต้องแยกตัวเราออกจากการแสดงมาเป็นตัวตัวดูแทนตัวรู้แทนครันไปเป็นตัวตนเอาเป็นตัวตนเราเป็นตัวแสดงได้ไหมครับ แล้ว เ, เข้าไปที่อุเบกขา เ, เข้าไปสมาธิเข้าไปเข้าที่ไปสมาธิเีออบรปณาสมาธิอันนั้นจิตก็จะหยุดสแสดงแนละ้วจะเปลี่นจากตัวสแสดงว่าเป็นตัวรูแ้แทนอืมครับมันนี้เป็นจุดที่ยากครับหัวศึกมันจะไปพอไปไม่ถึงอัปปนามันก็เออเออเออภาวนาม็อบนปัญญามันก็คือเข้าใจยังไงมันก็ยังมันก็ยังไม่จบอะพ่ะย่็ยังขาดไม่ตัดไม่ได้ แต่แต่แต่ถ้าตะจะให้ไปถึงตรงนั้นมันก็ต้องตัดทุกอย่างเพื่จะทําไม่ได้ใช่มาทําไม่ได้มันก็เลยอยู่ตรงเหยียบเรือสองฝั่งใช่ยังยังรักที่เสียใจเนาะใช่ครับใช่ครับก็ต้องก็ต้องไปแล้วพยายามในขณะที่ตอนนี้ให้ให้มากท้าที่จัดทาได้จะกลับจะเข้าเข้าสมาธิได้ขนาดนั้แล้วก็ไปได้ แต่อีกอันหนึ่งผมฟังคดีวันก่อนเห็นฟังครูบาอาจารย์เห็นเหมือนกับเหมือนท่านบอกว่าเอ๊ะกว่าจะปฏิบัติจนถึงก็ต้องมีบารมีสร้างสมมาหลัยพบหลายชาติอ่าเหมือนแบบอ่าแล้วนั้นก็มีส่วนแต่ชาตินี้มันไม่ต้องอาศัยบารมีกับก็ได้เพราะอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าแทนก็ใช้พผ้าเหลือของพระพุทธเจ้าแทนได้ครับนะฮะพระพุทธเจ้าบอกทางแล้วให้ทำแค่นั้นเองครับนะฮะ ถ้าก่อนหน้านั้นมันมันต้องทำทาไปในที่หนื่งอ ย, อย่างนีนครับผมอะผิดบ้างถูกบ้างอะไรก็เลยใช้เวลามากครับอะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องทํำนะเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรก็ทับอ บ, บรารมีก็มีไม่ติตัวที่เราท่องสร้างเมตตาบราบรมีทานบรารมีศีลบารมี ครับนี่ธรามะบาลมีได้่ยเขาไปอยู่บนเขาเน้นธรรมะบาลมีพอัีได้นั่งสมาธิให้ได้ยอุบเบกขาบาลมีครับอ่ะแล้วก็ปัญญาบาลามีก็ศึกษาไตลารลักษอริยสัจสี่ครั บ, บ, บอันนี้มันง่ายมันมีมันมีหลักสูตรให้เราเรียนนะครับทำไมวุฒิเจ้าไม่มีหลักสูตรวุฒิเจ้าต้องค้นหาสูตรเองครับเพราะงั้นถึงเราไม่ได้มีเรามีกระเป๋าเราก็น่าจะไปถึงได้ใช่ไหมใช่ เพราะเราทุกคนเนะี่ือว่าโชคดีไม่ต้องอาศัยบารมีเก่าครับตอนนี้เรามีบารมีขพองพระพุทธญาติที่เรารรพึ่งได้ถึเพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นบารมีแทนครับยต้องออกเรือแต่ถ้าแต่ถ้ามีบารมีเก่ามันก็จะทําทให้เรีนเดินเก่งเรีนเร็วเรียนง่ายถ้าไม่ถ้าไม่มีบารมีก็เรีเรนเรียนยากหน่อยแต่ก็ก็ยังถูท่ายไปได้ครับ นั่งเรียนในห้องยังมีแบ่งไว้เป็นเกรดใช่ไหมใช่ครับอ่ะฮะครับก็เหมือนบัวบัวสามเหล่าเนี่นั่งเรียนในพระศาสนาพุทธก็แบ่งเกรดได้เป็นบัวสามเหล่าครับอะพวกที่หัวชะลานี่พวกัท็อปเนี่ยมันพอฟังเทศคําเดียวว่าเข้าใจนะครับเนี่ยแสดงว่ามีบาลีเก่ามาเยอะแล้วอ่าครับอ่ะแล้วอีกพวกนึงก็ต้องต้องฟังอะไรผลหน่อย สอบก็ได้เกรดแค่เกรดสามพวกที่สามกับพกที่เกรสองดะแต่ก็ยังผ่านช้าหน่อยนานหน่อยส่วนโบเราสุดท้ายประทับปรมะก็ตัดไม่ไม่อยู่ในนคนั้นไม่ได้มาเรียนนะไม่เอาในระดับนี้งนั้นเราก็ยังอยู่ในสามอยาจะไปถึงถึงดูกลุ่มสามก็ยังไปได้ได้สองสามหนึ่งสองสามนี่ไปได้หนึ่งสองไปกัน พวกหนึ่งนี่เป็นเกศเรียนแค่วันสองวันก็จบครับอะพกเกศสามนี่ก็เรียนสักเดือนสองเดือนอืมครัรบพวกเกศสองก็เรียนสักปีสองปีท่านถึงแบ่งไว้เจ็ดวั น, วนเจ็ดเดือนเจ็ดปีครับอะครับแลดังไปสารั้มเกศด้วยกันครับถ้ามันถ้าเข้ามันได้ถึงอัปปนามันก็คงเห็นเห็นอย่างที่ท่านเห็นมันก็คง ใช่แต่ว่ามันก็หนึไปสารพวกที่เนี่ยปนาก่อนตอนที่แสดงธรรมแรกนให้ไปสารพวกนักบวชท่านั้นยยังไม่สอนคารว่านตอานักบวชก่อนจะได้านักบวชมาช่วยเผยแพ่ธรรมะต่อเป็นเป็นผู้ช่วยอาจย์ต่อแสดงขั้งสองขั้งบรรยมทีกับบรรลุเป็นพระอาหารทั้งห้าุครับว่าพวกนี้มีปัญนาสมาธิแล้วครบอย่ครับ ปัญญามีสมาธิศีลแต่ไม่มีปัญญาปัญญาอันนี้หายากต้องร้อยมีพรหเจามาคนพบือริยสัจสีได้รับยุคนี้เราเรามีฟังแลวมีปัญญาไดนนี้มีปัญญาแต่ไม่มีสมาธิไปไม่ไม่มีวไม่มีไม่มีอใช่ศีลพอมีศีลมีสมาธิขาดก็เลยไปไม่ถึงศีลขาดขาดตมงกลางศีลแตกก็ขาไม่ไหว ยังอยากยังอยากจะไปงานนู้นงานนี่อยู่เองครับนั้นสี่ไม่ต้องเป็นแใช่ไหมครับมันจะได้มีมัได้ขึ้นไปตรงกลางมัคือไห้ปลายมีตรงอีกฟังนี้แต่ว่าตรงกลางนี่ยังขาดครับต้องเพิ่มให้เป็นแปดแล้วให้มีสมาธิเนี่ยปัญาครับใช่ครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเสาร์ที่นี้เข้าไปครับในธรรมะในธรรมะแล้วก็เบคาแล้วก็เวคาแล้วก็ปัญญา ครับตัวนี้ต้องไปเปลี่ยนเว้นต้องไปอยู่คนเดียวครับผมครับนะฮะไปเข้าห้องเรียนไปเข้าห้องเรียนทางปฏิบัติครับนะครับโอเคคําตอนนี้เราเรียนอยู่นอกนอกนอกนอกห้องเรียนเรียนออนไลน์นานๆเนี่ยในบ้านในที่บ้านไม่เอาไเรียนในห้องเรียนครับนะมีแผนที่หรือเปล่าต้องไปต้ลงไปเดินตามแผนที่สร้างบริเวณขึ้นครับนะ โอเคนะใช่ครับนะอ่ากครับอ่าคนที่สาต่อใช่ไหมใช่คนที่สาเชิญคนที่สาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เอลาใช่ค่ะพระอาจารย์กล่าวนมัสการพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีค่ะก็ตอนนี้ก็ล้มลุกคุกคานค่ะก็ปฏิบัติค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงอัปปนาเลยค่ะ แต่ว่าก็ยังมีแบบเราสติตอนีให้ได้ก่อนพยายามใช่เดินสติบ่อยๆใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ลองลองมาเดินจงกรมมากขึ้นนะคะอาจารย์เพราะว่าใญ่จะใหญ่จะให้แบบสติมันแนบกับตัวมากขึ้นอ่าแ่ที่ไม่ไม่ใจไปที่อื่นได้อยู่ในธรรมะก็ค่ะก็แล้วก็ยังนั่งสมาธิทุกวันเหมือนเดิมะค่ะ อยากจะตื่นตอนเช้ามานั่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องต้องต้องตั้งจิตก่อนแล้วมีคำถามค่ะต้องบังคับตั้งจิตอธิษฐานค่ะแล้จะนั่งเวลานั้นเวลานี้ตั้งใช่ใช่ค่ะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องเดินจงกลมค่ะลูกว่ายุกเดินผิดแน่เลยอะคือแบบไม่แน่ใจว่าตรงมือนี้จะอยู่ข้างล่าข้างหลังค่าที่ อันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสาคัญอ้ไไม่ดเป็นะครับโดยประเด็นสาคัญก็คือตัวสติค่ะแล้วจเควบคุมใจไม่ให้ไปลอยไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับพุทโธหรือให้อยู่กับเท้าที่เราเดินก็ได้คือเราอยู่เราอยู่กับพุทโธพุทโธแต่ว่าเราก็หมายถึงเท้าเราก็เดินไปแล้วก็พุทโธพุทโธแบบอยู่ที่เท้าด้วยหรือว่าต้องไม่ไม่ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ท่าาานนอจยได้อใช้เท้าก็นด้ใช้พุทโธก็นด้ค่ะ แล้วก็เรื่องส่วนเรื่องมือนี่ก็ความสวยงามก็ให้ไว้ข้างหน้าเพรเดินควายเอามือไว้ข้างหลังก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สุภาพเรียบร้อยลูกไม่ทราบลูกไว้ข้างหลังตลอดเลยค่ะเพราะแต่ลูกก็เดินอยู่ที่บ้านเป็นทีนิยาของคนที่ไม่มีความชำนาญใช่ใช่เพราะวันนั้นลูกมาดูแบบดูอะไรกาดูดูเอประวัติของอ่วัดบ้านตะแล้วลุกเห็นอ้าตายแล้วเราเดิน ใข่หลังตลอดเลยแล้วมันเป็นแล้วมันเป็นประเด็นย่อยไม่ใช่เป็นประเด็นค่ะอ๋อมันอยู่แต่ว่าก็อยากจะเดินให้ถูกต้องนะคะแล้วปรเดินหลังก็คือให้มีสติอยู่กับการเดินอย่าให้ใจคิดเรื่องอื่นแล้วแล้วจะต้องเดินช้าเดินเร็วน่ะไหนหรือว่าเดินปกตินใจเราที่ง่วงนอนก็เดินเร็วหน่อยได้ขับไลความง่วะค่ะคือเอาสติเป็นหลักให้อยู่กับสติให้อยู่กับพุทโธอค่ะอยู่กับพุทโธค่ะ ค่ะแล้วแล้วเวลาเดินนี่คือประธานโทษนะคะคือที่บ้านมันเย็นนิดหนึ่งลูกก็ใส่ถุงเท้าแต่ไม่ควรคนรจะถได้ออกไม่เป็นไรแต่การถอดถุงเท้าบางทีมันการได้เท้าสัมผัสกับพื้นมันก็ก็ดีแล้วแต่ล้วอันนี้เป็นอ๋อแล้วแต่เราเราเราชอบแบบไหนก็ทําได้ไม่ไม่ได้เป็นตัวประเด็นทสำคันตัวสาคัญแค่คือตัวสติครับค่ะอาจารย์แล้วลูกมีคําถามอันหนึ่งคือ อย่างเวลาที่เราคือลูกยังไม่ถึงอภปน า, าแต่ว่าเราก็แบบมันก็แบบเหมือนกับอย่างที่หลวงตาบอกปันอบรมสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมสมาธิคือพยายามคิดเรื่องเรื่องปัญญาเรื่องไตรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ทราบว่าถ้าเวลาเราคิดหรือเรามีเรามีอะไรกลับมากระทบเนี่ยเวลาเราจะปล่อยวางโดยโดยวิธีเนี้ยคือยังไม่ได้ยังไม่ได้อุเบก ค, ค่แต่เราก็พยายามจะปล่อยวางการปล่อยวางนี่มันต้องทันทีเลยหรือว่าแบบ ต้องผ่านไปสักวันนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะทันทีตัดทันทีเลยใช่ไหมจ้าค่ะใช่ถ้ามีปัญญามันตัดได้ทันทีคือบางครั้งคือตอนนี้มันยังเป็นมิปัชนิกอยู่ค่ะพระอาจารย์มันยังไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะมันก็เลยบอกไม่ได้ตัดได้ทันทีอ่ะแต่ว่าเราก็พยายามจะตัดอะถ้าเกิดแบบมันควรจะถ้าเป็นวันหนึ่งนี่มันมันก็นอานานไปใช่ไหมจ๊ะค่ะ ก็ยังถือว่ายังไกลยียงไกอยู่ควรจะให้ทันทีเลยทันใดเลยพอทุกเกิดปั๊เราสติชนาะปัญญาได้ดับทุกทันทีเลยแต่บางทีมันได้ได้ค่ะพระอาจารย์แต่มันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันก็ต้องแบบอย่ามันจะคิดใหม่อ่ะมันจะกลับมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละก็ส ต, ติเรายังไม่พออ๋อสติเรายังไม่พอค่ะ เก็ควบคุมความคิดได้มีถ้ามีสติก็ควบคุมความคิดได้ปัญหาก็ไม่เกิดอค่ะปัญหาเก<า>ิดจากความคิดของเราเองค่ะค่ะพระอาจารย์แล้วเวลาในระหว่างวันที่เราเจริญสติพุทโธพุทโธไปตลอดเวลาเนี่ยคือเราจําเป็นที่จะต้องดูอารมณ์เราไหมเจ้าค่ะคือแบบไม่ต้อง ด, อดูดูแต่พุทโธอย่างเดียวอืมค่ะเพราะจริงๆก่อนนานั้นอะไกิมันก็ถ้าอยู่พุทโธมันควบอารมณ์ได้ค่ะ ถ้า<ต>ไม่มีสมิอารมณ์มันก็เค่ะเพราะว่าแต่ก่อนลูกก็แบบแต่ก่อนคือลูกนั่งสมาธิอะไรทุกอย่างด้วยตัวเองคือแบบเรียนจากยู u ูบแบบไปเรื่อยก็อ่านหนังสือบ้างอะไรเงี้ยไม่มีแบบก็จะหลงๆไปนิดหนึ่งค่ะก็ะไปแบบอยู่วุ่นวายอยู่การดูจิตอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นลูกสับสนมากแต่ตอนนี้ไม่ไม่แล้วค่ะก็ ค, ะคือมาอยู่ที่พุทโธอย่างเดียวใช่แล้วการทำเจ็ดจิตให้นิ่งทอจิตนิ่งแล้วอารมณตางๆไม่เกิด ใม่ะค่ะค่ะถ้าไม่มีพุทโธไม่มีสติันึงก็ปล่อยให้ใจปิ้นเยอะกมันก็ปลูกแต่งอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอืมค่ะพระอาจารย์แล้วยิ่งดูมันยิ่งเกิดขึ้นมาใหญ่คือใช่ตอนนั้นรู้สึกสับสนมากว่าแบบเอ๊ะดูจิตเขาบอกให้ดูจิต ดูยังไงคืองงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจแล้วค่ะเพราะหมายถึงพวกที่มีสติพอดูจิตแล้วดูว่าลมปั๊ระดับมันได้นีดูได้อฮอ่ะฮะใช่ใช่ถ้าดูแล้วไม่ดับก็แสดงว่ามันดูไม่ได้อ่อฮะอันนั้นคือมันเป็ น, ปนขั้นขั้นสูงใช่ไหมขั้นสูงขั้นขั้นผ่านสมาแล้วอ๋อเพราะใช่เพราะฉะนั้นลูกก็ยังนั่งสมาธิแบบไม่รู้จะเอาไปทางไหนดีก็คือแบบนั่งแล้วก็แบบเอ้คือมันแรกๆกมัน เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาคือมันยังงงไม่รู้จะจับทางไหนดีค่ะอาจารย์ก็ไปดูจิตแล้วก็แบบนั่งสมาธิเอ๊ะเขาบอกให้ดูจิตก็แบบดูแล้วมันยิ่งสัตว์ยิ่งฟุ้งซ่านเข้าไปใหญ่เลยใช่ตอนนั้นไม่มีสมาธิเราต้องดูดูดูดูพุทโธแล้วดูลมหายใจไปก่อนค่ะค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลยทิ้งอันนั้นไปแล้วก็เริ่มมามามาใช้พุทโธแล้วก็ ก็ศึกษาจากพระอาจารย์ก็แบบโอ้โหได้แบบทางสว่างค่ะต้องขอขอบคุณพระอาจารย์กล่าวนามัสการขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงเลยค่ะไม่งั้นลูกก็จะจะจมอยู่กับการดูจิตอะไรก็ไม่รู้กับฟุ้งซ่านมากอนนั้นมันข้ามขั้นตอนไปใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์เรายังก่อไข่เขาไข่อยู่แล้วให้ไปดูการล้มลุกคุกคลานไม่แต่งครนมแต่งไม่ได้ค่ะ แต่ตอนนี้ลูกก็ดูแบบเหมือนกับแต่ก่อนลูกจะแบบว่าดูพวกยูท b e อ่านหนังสือเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็จะแบ่งเวลามาใช่รู้สึกว่าจะพอแล้วตอนนี้ลตอนนี้จะไปดู อไปด<ช>ูแล้วมัก็คิดปรุงแต่งตามนันเองใช่มันจะเพลินเกินไปอะค่ะพระอาจารย์มันจะแบบเพลิดเพลินคือเรารู้ว่ามันเป็นคือเราปิติเราเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยไม่ได้ s t a ไม่ได้ s t a ใช่มันทีมันจะเป็นเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยเราซึ่งเรารู้แล้วเราควรจะมาปฏิบัติให้มากขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้ว ก, ก็ก็ยังดูอ่านหนังสืออะไรเหมือนเดิมเพราะว่าบางทีก็อยากจะ อยากจะได้ครูบาอาจารย์อยากจะได้แบบเห็นหน้าพระอาจารย์ได้ฟังเสียงพระอาจารย์บ้างมันจะได้เป็นกําลังใจครัอาจารย์ค่ะดีฟังบ้างก็ดีแต่อย่าไปฟังมากเ ก, กินไปค่นะค่ะพระอาจารย์ทำให้มันได้ความรู้ได้ประโยชน์เพื่อมาสนับสนุนการปฏิบัติของเราค่ะพระอาจารย์อโอเคนะพระอาจารย์ค่ะกราบนมัสการค่ะจะาหนอมปฏิบัติค่ะโอเคทางนี้กี่โมงออตอนนี้ตอนนี้<ป> เจ็ดโมงสิบค่ะเจ็ดโมงสิบค่ะตอนนี้ยัง d a l i g saving t i m เอ้ยตอนนี้ยัง standard time อยู่ใช่ไหมเราเปลี่ยนแตอนนี้เขาเปลี่ยนแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแล้วค่ะพรอาจารย์ <Yeah. S 1> ตอนนี้เขาเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนทุกฟอร์กับสปริงค่ะแต่เขาบอกว่าปีหน้านี่เขาจะโหวตกันว่าเขาจะไม่เปลี่ยนแล้วค่ะแต่ว่าก็ดีค่ะได้อยู่เวลาเดียวไปหมดนะใช่ค่ะพรอาจารย์ก็บอกไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะบางทีมันก็ไม่มีประโยชน์อืออม <Okay. S 2> เหมือนกับว่ามันจะทําให้เกิดแบบคร i ม i n a l มากขึ้นหรืออะไรไม่ทราบอ่ะนี้ก็ไม่ทราบอย่างนี้น mm hmm. ตอนนี้ก็เยอะอยู่แล้วค่ะแล้วก็หลอกตัวเราเองเวลามันก็เท่าเดิมใช่ค่ะพระอาจารย์แต่ดีแล้วขอย่าเปลี่ยนเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็มาอยู่ที่เดิมอ mm hmm. แต่ก่อนก็ดีใจแ ต, แต่ก่อนก็ดีใจค่ะอาจ า, ารย์ตอนทํางานแบบเออได้นอนเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริง mm hmm. มันเราหลอกตัวเองค่ะเวลาก็เท่าเดิมแหละ โอเคค่ะส <Okay. S 2> าธุค <laughs> ่ะสาวุกขากบนรัตการค่นะไปที่เท็กซต่อจากแคลิฟอร์เนียไป t e ็ันที่เห็นโพองคีเดนในดัไปไววิากลบนรันการกับพระอาจารย์ได้ได้ยินหรืยเ่าครับได้ยินดี ก็มากราบมนัสการครับก็ไปไปวัดมาเมื่อวันอาทิตย์ครับเห็นพ่อเจอในเฟซบุ๊กใช่ไหมครับผมก็ระลึกถึงพระอาจารย์ครับก็ตอนนี้ก็ที่ดารลัดก็กำลังเตรียมตัวรับความหนาวที่ไม่เคยเจอครับอ่เห็นเขาบอกจะหนาวมากครับผมก็ถ้าเป็นที่เมืองไทยก็ประมาณลบยิบสี่โอ้โห ก็ลองลองดูคร like ับเพราะว่าเคยเจอเมื่อสองปีก huh. yeah. ่อนเนี่ยมันแค่สิบแปดตอนนี yeah. so ้มันจะเป็นยี่บสี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไฟดับเมื่อก่อนเมื่อคราวที่แล้วไฟดับเยอะมากตัวอยู่ครับเพราะตอนนั้นมันเป็นแฟร์บุยตอนนี้มันเป็นเดซิมเบอร์แล้วทุกคนมันเปิดคุชบาทไลฟกันเต็มไปหมดอืมไฟดับขึ้นมาก็เดี๋ยวก็เหมือนคราวที่แล้วนะกับยังยังยังคูดกับพวกเพื่อนๆที่เป็นพวก มันเล่นกีฬาด้วยกันบอกให้กูเนอร์มันไม่เห็นทําอะไรเลยตอนนี้มันคริสต์มาสมันใช้ไฟเยอะแยะอ่ะนี่เกิดไฟดับมาเหมือนสองปีก่อนมันจะยุ่งแต่ว่าเราเป็นตัวเล่นน้อยเราทําอะไรไม่ได้ก็แค่คุยกับกลุ่มในเพื่อนฝูงเฉยเฉยตรงด้านการเมงก็ต้องเอาใจประชาชนก่อนนะนรครับก็ยังชชคิดอยู่<ม><ๆ>กันมันไม่เห็นน้ำทาอะไรเลยเขาคงเขาก็ค ง, งไม่คิดถึงจุดนี้ที่เราคิดนะแต่ว่าเราก็ เราวัดเข้าว่าทำสมาธิของเราไปอะไรเกิดก็เกิดเราก็พยายามรักษาตัวเองให้ดีแค่นั้นเองเอแล้วแค่นี้แหะดูแลก็เราเองเราพอเวลาจิตใจเราก็ก็ก็ดีใจที่ว่าเรียนจากพระอาจารย์แล้วก็ได้ฟังจากพระอาจารย์ทุกยิ่งวันอาทิตย์ด้วยก็ได้ฟังคําถามคําตอบแล้วก็ตอนนี้ก็อ่านคําต่างๆที่พระอาจารย์ส่งมาให้ตลอดทุกๆวันก็ศึกษาทํา บางจุดที่เรายังไม่เข้าใจนะครับก็ที่พระอาจารย์เคยเขียนว่าอันหนึ่งที่อะไรนะที่พระอาจารย์บอกว่าที่เราทำปฏิบัติทำไปเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจว่าจะไปกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือคือประกาศร้องพระสมง พ, พเจ้าเนี่ยถ้าจิตเรายังไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ใช้เวลานานทำนอง น, นั้นนะครับก็พยายามเรานึก เราจะทําเดินจงกรมหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในทางพุทธศาสนาเราก็จะบอกว่าขอให้ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าที่พระนิพพานก็ตั้งใจอย่างนั้นตลอดนะครับอันนี้เราผิดหรือเปล่าครับการตั้งใจไปขอเนี่ยมันไม่ผิดการตั้งใจเพื่อให้เราทําถึงนี้ถูกตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติเราจะเดินจงกรมเราจะนั่งสมาธิแล้วมันจะพาเราไปให้พบพระพุทธเจ้าผล แต่อยู่ชิ้นยัยจะไม่ได้ขอให้ได้ผลโดยที่ไม่ปฏิบัติแต่เราทําเราทําทด้วยนะครับอ่าเราต้องทำเราต้องทําราต้องเราตั้งใจที่ตั้งที่การกระทําแล้วผลมันจะตามมาเองอืมครับแบบเราเร า, เราปฏิบัติตามครับเราเราก่อนจะเดินจงกรมอะไรอย่างนี้หรือว่าจะนั่งสมาธินี้เราจะมไม่วัดที่ไหนเราก็จะขอให้ได้ไปการาบพระพุทธเจ้าที่พานิพานออได้แต่ว่าเราปฏิบัติด้วยครับต้องปฏิบัติเขาใช้ใช้ไม่ได้ครับผม โอ้ไม่มีอะไรครับมากับวันาการพระอาจารย์ครับผมสาธุสาธุคนชนนดา่านชนะดาได้ยินไหมอยู่สมุดประการศยังไงค่ะพระอาจารย์นวัตการมสภาพระอาจารย์ค่ะอยู่สมุดประการเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เฮ้เกินมาภาคหยุดแล้วบางภาคระอศีรชชาศรีรชาค่ะก็ก็ไปบ้างน้อยแต่น้อยอะค่ะพระอาจารย์หลักๆยังอยู่ที่เนี่ยค่ะ ค่ะก็ในช่วงที่ผ่านมาลูกว่าลูกดีขึ้นนะคะจากจากที่แบบเจอหนักๆมาแล้วก็ก็ผ่านได้น่าจะได้นะคะพ า, า้อาวรู้สึกแจ่มใสแล้วค่ะทุกวันนี้ในในสิ่งที่ตรงสิ่งเหล่านั้นก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพูอาจาโสอย่าไปห ม, มอกม้วนเถอ ม, มันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปค่ะค่ะแล้วก็ ค่ะพอาจารย์ค่ะก็ก็ก็ก็ต้องบอกว่าดีขึ้นมากเลยค่ะพอาจารย์จากจากมันนั้นค่ะด้วยด้วยคำสั่งสอน ข, ของพระอาจารย์ค่ะขอว <c oughs> ระเจ้าขอพระาจ้าเราป <c oughs> เป็นเพลงแต่บรุษไปเะน่ลูกก็หมุนพระ้ค่ะลูกก็หมุนอยู่พักหนึ่งเหมือนกันพอ อมาตั้งสติในคําสอนที่พระอาจารย์บอกมาว่าคือให้ปให้ภาวนาดีกว่า mm hmm. อืมก็ก็เลยตั้งใจตั้งใจทําเออแล้วก็พอตั้งใจทําก็เริ่มมีสติพอมีสติ อ, อที่ท่านพระอาจารย์บอกว่าพอมีสติแล้วอะ่ะมันก็จะรับมือได้อันนี้ก็อันนี้มันก็ค่อยๆเกิดขึ้นตามลําดับอ่ะค่ะแล้วก็เ อ, อตอนนี้ก็เลยรู้สึก เออบางทีมันก็จะแบบเอ๊ะปฏิบัติแล้วมันมันยังไงมันมันตือต้อๆมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้ดูคลิปของหลวงตา ม, มหาบัวค่ะหลวงตา ม, มหาบัวบอกว่าต้องมีต้องใช้ความเพียรเท่านั้นถ้าจะไปให้ถึงที่ต้องใช้ความเพียร ต, ต้องเพียรอย่างต้องเพียรอะเพียรที่สุดเลยอะค่ะพระอาจารย์เรเพียรจนสติไงเป็นอย่างสมาธิ ค่ะลูกๆก็มาใช้นะคะแล้วก็แล้วก็ตอนเออ่ในช่วงในช่วงนี้เนี่ยคือนั่งสมาธิบ้างนอนสมาธิบ้างค่ะพระอาจารย์แล้วช่วงช่วงที่นอนสมาธิอ่ะมันก็จะมีเอ่อเขาเรียกจิตมันแสดงเหรอคะที่เหมือนตัวมันจะออกมันจะลอยออกมาจากตัวคือจิตเหมือนจิตกับกายมันจะแยกกันไหมคะมันจะรู้สึกเหมือนยุ่นๆนะคะพระอาจารย์เหมือนเราเนี่ยมันถ้ามันนอนมันยากอะะ ถ้ามันต้องสงบมันถึงจะยากละฮะอ่าเอ็บเจ็บจิตลูกแตกจิตลูกแตกล่ะฮะอือแต่ลูกก็พิจารณาไม่ใช่ละฮะให้กลับมาดูที่ลมแล้วพุทโธไปอย่ไปพิจารณาอะไรตอนที่ทําสมาธิค่ะพิจารณาที่ที่ลมเหมือนเดิมกลับมาดูลมอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้มันจะนาลมให้ดูเฉยเฉยดูลมเข้าลมบอกที่ปลายจมู ก็ให้ดูที่อยู่ที่จุดเดียวไม่ต้องไปวิคค่ะอะไรนูกเฉยๆมัวหลงข้ามมัวหลงออใช่ค่ะเพราะลูกไปสงสัยมันอยู่เหมือนกันว่ามันจะเกิดทําไมอะไรเงี้ยค่ะมันไม่เกิดหรอกมันต้องการให้มันไม่มีอะไรเกิดให้มันนิ่งมันว่างแสดงว่าจิตจิตเรามีนิดนึงที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมคะพระอาจารย์เราเผลอเราพอพอเฉติพอพอเฉติว่ามันครับมันก็ปรากฏไอ้ปูนแต่งอะไรขึ้นมาหลอกเรา ค่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราปรุงแต่งเองใช่อาจารย์แล้วคิดว่เาเป็นเหตุการณ์มาจากไหนก็นไหมลูกใช่แต่กาจริงจิตเราปรุงแต่งนั่นะค่ะอาจารย์แล้วลูกก็รู้สึกว่าแบบพอพอสมมติว่าเข้าจะเข้าเข้าในทางที่มันละเอียดขึ้นนะคะอ่อมีความู้สึว่ามันมันดูเหมือนยากเหมือนกันนะคะอาจารย์เหมือนแบบรายละเอียดที่แบบเราไม่ทันนะ่ะใช่ไหคะอาจารย์ มือนราเราเร า, เราไม่ต้องไปสนใจนะให้สนใจอยู่ที่สติอยู่กับลมไปให้อย่างเดียวค่ะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจเลยเวลาทําสมาธิให้สนใจลมอย่างเดียวดูลมไปอย่างเดียวค่ะยังไม่ต้องไปวิเคราะห์มไม่ตองอะไรทั้งสิ้นค่ะค่ะให้จิตมันนิ่งมันสงบมันว่ามันเย็นมันสบาย นี่คือเป้าหมายของการทำสาทมาธิเพื่อให้เข้าสู่ความว่างซึ่งเข้าสู่ความสงบให้ความคิดหายไปหมดค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์ได้ได้ค่ะพระอาจารย์ปีหน้าก็ตั้งใจว่าจะ ไปขึ้นเขาให้ได้ทุกเดือนตั้งใจว่าจะไปขึ้นเขาให้ได้ทุกเดือนปีหน้านะคะอ่าก็เราลองดูด้วยจะเป็นไปตามที่เราตั้งใจเรามีสัตจะมีอธิษฐานนะตัวต่อไปก็คือสัตจาะมีแบบค่ะมีแล้วก็ต้องมีความเพียรค่ะปัจจารถิฐานความเพียรแล้วกขันเดความอดทนวันไหนจะทํา็ได้ปัจจารถิอ่าอะไรนะปัจจารความเพียรอ่าอธิษฐานสัจจะ อันนี้ก <ร board S 2> าตั้งใจไงตั้งใจปีหน้าจะไปปฏิบัติต้องทำถา้ถามีสัจจาก็ก็ต้องไปตามที่เราตั้งไว้ถ้าไม่มีสัจจาก็โกหกตัวเองตั้งไว้เฉยๆเขโก็ถึงเวลาเขาไม่ไปค่ะช่วงช่วงนี้ก็สัจจะค่อนข้า ง, างจางเลยค่ะจริงๆค่ะลูกเป็นอยู่อถ้าเราก่อนจะตั้งใจต้งงองถามะไรมันทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้อย่าไปตั้งนี่มันก็การหลอกตัวเอง แต่ถ้าเราตั้งใจแล้วเราไม่ได้ตั้งอธิษฐานนะคะอาจารย์ไม่ก็อธิษฐานแปลว่าความตั้งใจไงอันนี้ไม่ใช่ไปขออะไรค่ะอื้แล้วก็ต้องอธิษฐานเนาะใช่ไหมคะอาจารย์คาว่าอาธิษฐานก็แปลว่าความตั้งใจมันตั้งใจแล้วมันก็อธิษฐาน<อ>ะนะอาจาอย์อ๋อ เคแต่แล้วก็เราเอาคําอธิษฐานมาแปลว่าขอขอให้ได้ขอให้ได้นี่ไม่ใช่อค่ะขอไม่ได้ถ้าเป็นความตั้งใจแล้วเราไม่ได้ตั้งอธิษฐานแล้วค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าตั้งใจอ่ะแต่ว่าไม่ได้ตั้งขึ้นให้เป็นอธิษฐานมันก็ไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะเสียสัจจะหรือเปล่าคุณตั้งใจคุณก็คุณก็ตั้งอธิษฐานแล้วแหละคุณอย่าไปตั้งใจเลยถ้าคุณไม่ทําไม่คิดจะทํำก็อย่าไปตั้งใจ ไปตั้งมันทําไมตั้งไว้โกโก้เนี่ยมันพ่านที่จะรักษาสิ่งแปลแล้วก็ตั้งมาอย่างนั้นไ ม, ไม่บอกไม่ได้อธิษฐานวิ่งแต่คิดไปเฉยๆเองั่นแหละแล้วคิดไปทไําไมใช่คิดอย่างนั้นก็อย่าไปคิดเป็นถ้าเราไม่ทํำเรารู้นี่เราจะทําหรือไม่ทําใช่ไหมค่ะอถ้าเรารู้ไม่ทำเราก็อย่าไปคิดว่าจะทํำค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่เข้าใจคํามหมายไปตั้งใจทํำไม เมื่อเราไม่ทำแล้วตั้งใจจะจะทานู่นทํานี่แต่ถึงเวลาจริงๆรู้ไม่ทำแล้วตั้งไปเพื่อพระอาจารย์คะก็เผื่อมันได้ 90% ้าสิบเปอร์เซนเราก็ไม่เสียสัจจะอะไรอย่างนี้ไงคะหรือว่าก็ไม่ไม่มีเผื่อเราคุณทำหรืไม่ทำมันไม่มีเก้าสิบมันมีแต่ร้อยหรือ 0% ูนเ่ะถ้าทำก็ร้อยถ้าไม่ทำก็ศูนเค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ เข้าใจค่ะอาจารย์อย่างถ้าวันนี้คุณไม่ตั้งใจไม่เข้ามาคุณก็ไม่ต้องเข้ามาแต่ถ้าคุณตั้งใจแล้วคุณก็ต้องเข้ามาค่ะอาจารย์ยกย่องไว้นะคุณตั้งใจแบบมีเหตุมีผลเเออถ้าถ้าว่างก็จะไปอย่างนี้อันนี้ก็มีช่องว่างไม่ไปก็ได้เพราะคุณมีมีวงได้เมื่อเท่าว่าอันนี้ก็อย่าไปตั้งมันเสียไว้แล้วเลยค่ะ ตั้งเป้าหมายของเจนนาของการตั้งเป้าหมายเพื่อบังคับเราไม่ให้มีทางเลี่ยมอะไรไม่มีทางอื่นต้องไปทางนี้ทางเดียวเช่นถ้าสูบบุหรี่ก็จะเริกสูบบุหรี่นนเรแล้วตั้งใจแถ้าตั้งใจบอกเราก็ตั้งเฉยๆแต่ไม่เอาจริงก็จังถึงเวลาอยากจะสูกก็สูบอย่างีมันก็มันก็ไม่ได้ผลเพราะไม่มรู้จะไปตั้งไม่ทําไมถ้าตั้งแล้วไม่ทํา ตามที่เราตั้งค่ะพระอาจารย์น้อมรับค่ะอ า, าจารย์ยังพี่คุณบอกตั้งพี่คุณบอกตั้งใจแบบแม่ทิฏฐานนี้เป็นยังไงลองอธิบายมาให้ฟัไ ง, ไ, ง, ง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันตั้งใจแบบแม่ทิฏฐานเป็นยังไง ก็จริงๆจะพยายามไปให้ได้ร้อเปอร์เซ็นแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุให้ไปไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นตาก็ยังไม่เสียสัจากอะไรเงี้ยคะาา่ะพระอาจารย์ก็คุณมีเหตุเนี้ยคุณไม่ได้ตั้งใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องจะตั้งใจแบบว่า ม, มีช่องออกได้มีช่องหลบได้ <c oughs> ส่วนใหญ่คุณก็จะไปเจอช่องหลบซะส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ไปดีค่ะพระอาจารย ใช่มเดี๋ยมันก็อาทิตย์นี้ก็มีเหตุนั้นอาทิตย์หน้าก็มีเหตุนีม้มันก็มีเหตุเรื่อยๆที่ทําให้คุณไม่ไปอยู่ดีนี่ก็อย่าไปตั้งมาให้เสียเวลาเราบ้าถ้าตั้งแล้วเอาเอาให้มันไปดีกว่ามันจะได้ไม่เสียเวลากับการที่เราไปตั้งครับอาจารย์เนี่ยมกี่เลสมันช้าๆเปล่าแล้วให้ตั้งแล้วถะต้องมีข้อแม้ว่าถ้าไปได้ก็ไป งั้นไปตั้งทำไมเพรไม่ไปหรอกถ้ามันตั้งแบบนี้ค่ะพระอาจารย์เข้าใจค่ะอย่าพระเจ้านั่งอยู่ใต้โคตรโตอ่าถ้านั่งตรงนี้เอ่ทานถ้าตัดสร้นู้ได้ก็จะนั่งถ้าไม่ไปไม่ตัดสั้นู้ก็ไม่นั่งนี้ก็จะลุกงนี้มันก็ไม่ลุกมันก็ไม่ตัดสัู้้ทันทีมันั่งท่านั่งเลยว่าเบื่อไม่นั่งดีกว่าเนี่ย พุทเจ้าไม่เจำเป็นอย่างนั้นพุทเจ้าอยกจะนั่งแล้วนี่จนกว่าจะตัดทะลุถ้าไม่ไม่ตัดทะลุจะไม่รู้จักที่ีไปก็เหมืนหอมนกับเรียกว่าเป็นอธิษฐานเราก็จะก้าวหน้ายากถ้าเราได้เราต้องเรต้องเรต้องดันใจต้องบังคับ ใ, ใจด้วยคําอธิษฐานคําอธิษฐานนี่เป็นการบังคับทํามัามม่นสัญญาได้ค่ะอาจารย์เข้าใจเลยค่ะ คนส่วนใหญ่ชอบตั้งอนุษฐานตอนต้ น, นปีปีใหม่ยีนี้จะดีกว่าเก่านะยี่นี้จะไม่กินเหล้านะยี่นี้จะไม่นอนนะยี่นี้จะไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วน ะ, นะ <c oughs> ตั้งไปเดี๋ยววัน t o m ก็ลืมค <c oughs> ่ะพระอาจารย์ตั้งตั้งให้มันมีความหวังนะครับปีนี้จะดีกว่าปีเก่าแต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงๆล้มเหลวไปหมดเหมือนปีเก่าทุกทุกอย่างเลยปีที่แล้วมาตั้งแบบนี้ ค่ะแต่ที่ฐางินก็ไม่ก้าหน้าทันทีมันก็อยู่ที่เดิมก็จะวนๆล่วงๆมาอยู่เงี้ยค่ะภาษาค่ะนะค่ะได้ค่ะอาจารย์น้อมรับค่ะอันนี้ไม่ได้บังคับงเนี่ยกูยันตามหลักธรรมมาในปากเลยมันจะตั้งแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นก็ได้ไม่ว่ากันยินดียินดีมากเลยค่ะอาจารย์แบบไหนก็ได้ค่ะอาจารย์เ่าเท่าที่อาจารย์ขอให้มันทำได้นขอให้มันได้ทําเป้าหมายก็คือขอให้มันได้ทํา มันจะได้ผลเพราะถ้ามันไม่ทำมันไม่ได้ผลง่ายๆรู้รู้ลเลยค่ะรู้รู้ตัวเองค่ะาาอาจารย์หย่อนยานเยอะค่ะบทจะตั้งใจกุ๊บชุกนึง <c oughs> แล้วก็แผ่วเข้าใจบางทีททตอนมีอารมณ์ดีก็ตั้งใจเพราะสักพักอารมณ์เปลี่ยนไปไปแล้วลืมใช่ไหมอาจารย์โอเคนะค่ะค่ะ <c oughs> น้องน้อมค่ะพระอาจารย์ขอรับน้อมค่ะอย่างบางคนมีไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอท่านได้แล้วจะบวชสามเดือนพอได้แล้วมาขอผ่อนว่าขอผ่อนเป็นบวชทีละทิศได้ไ้มไม่รู้คุณตั้งเงิแล้วคุณจะมาขอผ่อนได้ไงตอนที่คุณตั้งคุณตั้งไว้ยังไงเนีใช่ไอืมค่ะพระอาจารย์อืค่ะเข้าใจเลยค่ะพระอาจารย์อย่าหลอกกันนวสัจจะเนี่ย ค่ะค่ะได้ค่ะโอเควาลิต่ามะลิคาตพว่งนี้มีเมนูใช่ไหมชาแนลดามีฮะหนึ่งถามพรุ่งนี้เป็นผลไม้ค่ะพรอาจารย์ผลไม้โอเคค่ะ่าดูค่ะวาลิแกก็ก็เข้ามาเข้ามาฟังก็มีความสุขครับเหมือนแบบเหมือนอะไรอะรดน้ำต้นไม้ครับหลวงพ่อ การทำตามครับเปนครับชอบอย่างหนึง่งครับก็อย่างเช่นฟังอันหนึ่งของหลวงตาหมาบัวที่บอกว่าเ อ, อ่อทำก็ทําปฏิบัติไปเรื่อยจนตายอะไรแบบนี้คือแบบคือทำอยู่แค่ตายแบบนี้ผมก็คิดว่าอเออปกติผมมโนน า, ลาลรู้สติ บ, บ่อยๆว่าเราจะตายวันไหนก็ไม่รู้มันพอคิดอย่างนี้เรากรู้สึกว่ามันคิดอย่างนี้แล้วมีความสุขเพราะว่าเรารู้สึกว่าพันทะอะไรต่างๆเราไม่ต้องแบกไปเยอะเพราะสุดเพราะสุดท้าย มันก็แค่ตายมันก็ไม่มีพันธะอะไรอย่างเงินนอกจากบุญและบาปก็คิดอย่างนี้ใจมันก็เบาขึ้นนะครับหลวงพ่อก็พยายามปฏิบัติจะพยายามให้มากขึ้นแต่ผมก็นี่ก็พยายามให้มากขึ้นครับก็เมืม่อก่อนเคยกังวลว่าไเเปนนรกัทางงิถ้าเราตายไปแล้วเรายังไม่ได้ทําบรรลุอะไรเลยเราจะ เครียดขนาดไหนคิดวันนี้มันก็เป็นฟุงซ่านอย่างหนึง่งแต่พอฟังทำหัวข้อว่ามันคือบรารมีบรารมีมันไม่ตายไปกับร่างกายถ้าเราเกิดใหม่เราก็ทําต่อจากที่เราทําต่อไปนี้มันก็เออมันก็มันก็ไม่เครียดแล้วมันก็นกเออใช่เราก็ทําอะไรแบบนี้ครับหลวงพ่อไปเรื่อยๆทำไปเรืเ่อยๆได้ครับ <c oughs> ก็หลวงพ่อแล้วก็เรื่องบุญเ อ, อ่อการอธิษฐานอย่างเช่นตอนนี้มันมีข่าวการอธิษฐานกิจขอให้คนหายป่วยมันมันมัน มันมีในหลักปรัชนาไหมครับหลวงพ่อถ้าคนศึกษาว่มันมีหรือเปล่าไม่มีไม่ได้ปรัชนาดีให้อ้าไม่มีความปรัถนาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเศษที่เศษกันได้เปล่ากันได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องตายใพระพุทธเจ้าเราไม่มีขนาดใดไม่ต้องมีโรงพยาบาลสงฆ์หลายคนก็คนเรคนเรามีความหวังเมื่อมันสิ้นทุกอย่างทั้งอื่นมันตามมาเขาหวังทางนี้ทางเดียวะ ทางสัมจากศึกสักเส์ศรีมก็เป็นความหวังนั่นเองความหวัง<อ>ความปรารถนาดีต่อการละกันก็ก็มองในแง่ดีไปก็ความปรารถนาดีให้เพื่อนกันและกันก็ออืก็โอเคครับก็เพมันไม่มีทางอื่นนะทางอื่นมันตันหมดนะมันก็ทำในทางนี้ทางเดียวนะก็กายตายก็ตายไปเป็นเรื่องปกติแต่ใจเราไม่มีวันตายก็พยายามสร้างบุญอยู่ครับหลวงพ่ อ, อขอบพระคุณมากครับ โ okay. อเคไอ้ที่คนใช้ยนิดใช้ยานี้เป็นยังไงซื้อของพวกพวหรเยอเปล่าก็มีบ้างเจ้ะค่ะยังยังหมดไม่ได้นะอะก็เพิ่มเพิ่มกำลังสินขึ้นเจ้าค่ะตอนที่พระอาจารย์บอกจ้ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ต้องต้องเชื่อมคนคือไหนคิดว่าไหนจะไม่เลิกทำหรอกคะ่ะพระอาจารย์ถึงจะยุ่งทางโลกอะไรยังไงแบบ คือติดใจในรถพระธรรมอะค่ะอพอดีอ่าได้อานาปนาสติประมาณแค่สองครั้งเองเจ้าค่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันสุขสงบแบบติดใจเลยเจ้าค่ะนี่ถ้าได้ไดความสงบนลมันจะติดใจนะรถแห่งธรรมนะแล้วรถแหงปวงใช่เจ้าค่ะเพราะว่ายังไงแบบถึงไปเที่ยวไปไหนไปอะไรที่มีความสุขสุดท้ายมันสุขไม่ไม่สุด ไม่เท่ากับความสงบของจิตใจอะเจ้าค่ะสุดเดียวเดียวสุด<ช>แล้วจ <ะ S 2> นดาหยไปมันควันไฟใช่เจ้าค่ะแต่ก็สู้กับเวทนาก็หนักจริงๆนะเจ้าค่ะแบบพื้นมันแข็งแล้วทีนี้ด้วยความที่อดข้าวแล้วนอนเจ็บซิโคงไม่เป็นไรใหม่ๆมันก็อย่างนี้ต่อไปมันก็ชินเอง ทับเจ็บกระชินจนชาใช่ไหมล่คะค่ะเออตอนแรกมันชินเองใจมันรับได้แล้วมันก็ไม่เดอดรอนอ่าที่จริงก็ถามใจตัวเองเหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าทุกหรือเปล่าก็ไม่ทุกจะค่ะอย่างอดข้าวอย่างเงี้ยคือแบบทุกเหมือนกินมาสองสมวันแล้วมาอดอย่างอดวันอาทิตย์หนึ่งสองวันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะแต่แต่แต่แตแตสลับกันอดนะเจ้าค่ะก็ อีกวันหนึ่งสมมุติว่าพรุ่งนี้หน่อยจะต้องถือสิมแล้วสินแปะเจ้าคะ่ะ mm hmm. ก็จะอดก็อดได้แต่ตอนหิวคือแบบดูดูเขากินอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถามทุกครั้งว่าเราหิวจริงใช่ไหมอะไรหิวใจหิวหรือว่าร่างกายหิวสุดท้ายก็ได้คําตอบว่าเป็นร่างกายหิวแล้วเราก็อยู่ได้เจ้าคะ่ะอยู่ได้จะ mm hmm. แบบอืมก็ไม่หิวอะไรเก็ย อ, อยู่ได้มงมงเหมือนกันเจ้าคะ่ะอ mm ืม hmm. อ็ดีอยู่ได้ก็ดีเจ้าค่ะต่อไปเพื่อไปอดอยากขาดแคลนที่ไหนจะได้ไม่ทุกข์ได้อยู่กับมันได้คือหน่อยคิดว่ายังยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่หมายยังไม่ได้ทดลองก็คือว่าการไปอยู่แบบอ l o n e นะเจ้าค่ะก็คือแบบไปอยู่ป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอลองไปดูเลยเนี่ยค่ะคืออยู่ในเซฟโซนมาโดยตลอดยังไม่เคยไปทางพวกนี้เลยแต่ว่าคือ ต้องสะสมศิ่งแปดให้ได้ทั้งเจ็ดวันเลยใช่ไหมจ๊คะค่ะก็คือแบบสะสมไปก่อนไหมว่าเพราะว่าถ้าถ้าถ้าสะสมสมาธิไปถ้าถ้าสมาธิไปไปอยู่คนเดียวก็ไปนั่งสมาธิได้พูดถึงสมาธิแล้วถ้าเราอ่าเวลาเราทําสมาธิอย่างเงี้ยเราต้องใช้สติมาควบคุมด้วยไหมเจ้าค่ะใช่เี่ถ้าไม่มีสติมันก็เป็นสมาธิไม่ได้ ก็คือว่าเพ่งอย่างเดียวก็คือว่าอยู่ที่ลมหายใจเออาแล้ถ้าเวลาไม่ได้น้ำกลาดูที่ร่างกายมาร่างกายเราเคลื่อนไหวทําอะไรอยู่จะค่ะก็ดูว่าเราทําอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีก็มีเผลอคิดมากนะคะว่าแบบเผลอเลยอย่างลืมตัวเลยว่าเอ้เมื่อตอนเย็นรถนําต้นไม้ลืมตัวก็นึกได้เอาไม่ใช่ไม่ใช่ใชตอนเนี้ยคือเรากําลังทําอะไรอยู่ต้องต้อ ง, ต, องต้องไม่คิดย้อนอดีตกลับไปเจ้าค่ะใช่แล้วก็ รู้สึกว่าพออาจารย์บอกพระอาจารย์บอกเจริญสติรู้สึกว่าเหมือนกับคิดในด้านลบคิดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเร็วมากก็ค่ะคือเหมือนกับเราสามารถดึงกลับมาได้เลยว่าอยู่ที่เราทําอะไรอยู่ให้ดูสติรู้สติก็คือว่าอยู่ที่เราทําอะไรอยแล้วค่ะปัจจุบันใช่ไหมคะจะได้ไม่ไปคิดเัืงนั้นเรืงนี้ถ้าเราอยู่กับเรื่องที่เราทําอยู่ นั่นก็คือว่าให้อยู่กับปัจจุบันถูกัหมจ๊ะค่ะก็คือการรู้สติอยู่กับร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายร่างกายเป็นปัจจุบันเนี่ยจ้าค่ะก็ถ้าลืมตอนไหนก็ต้องพอนึกได้ตอนไหนก็ต้องดึงกลับมาดึงกลับมาให้ได้ใช่ไหมดึงกลับมาที่ร่างกายกอนเรากินข้าวกลับมากินข้าวเนี่ยไปนั่งคิดไปช็อปปิ้งที่นู่นที่นี่จ้าค่ะแล้วอ่าถ้าเรานั่งสมาธิมันจะเป็นกําลังให้เรา อ่าเหมือนกับเป็นน้ํามันให้เราเวลาเราจะใช้ปัญญาอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มันทําให้จิตเรามีความอิ่มความสุขมันไม่หิวกับเรื่องราว ต, ต่างๆมันก็จะเอามาคิดทางปัญญาได้ถ้ามันไม่สงบมันเดียวมันหิว่าเรื่องเรื่องงานเรื่องเรื่องเที่ยวบ้างเรื่องอะไรมากมันก็คิดทางปัญญาไม่ได้เจ้าค่ะวันนี้เธอศีห้าก็จะเนี่แหละ มากนะฮะจะทําทุกอย่างเลยแต่พวกนี้เทียร์สีแปดจะไม่ทําอะไรเลยจ้ะค่ะวันนี้อ่าดีอภิเษกสติอย่างเดียวสติสบายที่อย่างเดียวก็คือมันก็จะมีวันไหนที่แบบว่าเป็นของคือตอนเนี้เหมือนกับแพ้กิเลสนะจ๊ะค่ะก็รู้อยู่ก็ชักกระเยอะกับเขาอยู่แต่ก็แพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาแบบอ่าเดี๋ยวเบาให้ก่อนเดาเบาให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันอย่าพยายามแพ้มันอย่าพยายามกับมันเ่าต้องเข้มงวดกัดขันกับมันเราต้องโหดร้ายกับมันต้องโหดคืออย่าไปอย่าไปเอาใจมันอย่าไปเกณฑ์ใจมันต้องเี้ยมเกรียมกับกิเลสไม่เป็นไรไม่ไม่บาเี้มเกรียมกับกิเลสนี่ดีโหดร้ายกับกิเลสนี่ดีมันจะได้ตายให้หมดไปสิ้นซากไป โอเคนะโอเคใครที่คนนุกทิวาต้องทิวาหายง่าไปนานเลยเนี่ยไปอยู่ไหนมาผู้การจ้ า, าจของพระอาจารย์ฟังอยู่ข้างนอกเจ้าขาวพระาจารย์วันนี้ไม่มีควถามเหมือนเดิมเจ้าค่ ะ, ะมาให้เห็นหน้าหน่อยนะมาเอา <c oughs> ออกกำลังใจครพรอาจารย์โอเคคนเก่งเก่งแจ้ง น้ำมสการครั บ, รบเอ่อกล้องมันกลับด้านนะครับอาจารย์ไม่นะอันนี้ก็ออกโอเคดูไม่ออกว่ากลับแล้วไม่กลับซ้ายขวาแล้วขวาซ้ายอย่างเก็เอ่าก็เข้ามาแข่ง<า>มาแข่อยู่ที่คุณตั้งมันมีที่ตั้ง ไ, ไหไมว่ามันปตะแคงหรือเปล่าไม่แน่ใจคอ๋อไม่ไม่ก็ออโอเ ค, คเอ๋อครับปะดีว่าผมนถือมือถือแน ว, แ น, ว, แ น, ว, แ น, วนอนอนับอาจารย์อ่าใช่ใช่ใช่ครับเขาเมื่อวานก็มีนั่ง นั่งยาวเหรครับรู้สึกมันมีความสงบดีครับท่านอาจารย์รู้สึกว่ามันสงบแล้วท่านนึกถึงที่อาจารย์สอนคือเนาอย่าไปกําหนดกาเวลาครับก็กําหนดสฉพสเต็กําหนดที่สเต็ปอย่างเดียวถ้ามีสเต็ปมันก็จะนั่งได้นาถ้าไม่มีสเต็ปมันนั่งอยู่เดียวมันก็อยากจะลุกนะเช่วงนี้พอท่วงานเยอะๆมันมันเทียวทั้งวันครับพอมากลาคืนมันจะหมดหมดแรงครับอาจารย์แถมที่เมื่อวานคือ วันมีลาซึ่งวันไปพาพานุไปทไปําะไรก็เลยกลับมาก็เลยเหนึ่งนัมีมีแรงเยอะหน่อยครับอาจารย์จะปฏิบัติต่อไปครับอาจารย์โอเคดีพยายามไปเรื่อยๆนกาพยายามอย่างาไรการสำเร็จอย่ห้ น, นั้นครับตอนนีนน้หมดแล้วครับจะพยายามไปเรื่อยๆนะครับคลไม่คาถามไมยคนลาได้ยินเสียงไหยครับอ่านได้แล้วได้ยินเสียงแล้ว ได้ในแะล้วนะคำถามแรกจากคุณเก๋ขอเรียนถามพระอาจารย์ค่ะศีลสําหรับพระอนาคามีคือการคลองสีแปดตลอดชีวิตถ้าสามารถงดเว้นเรื่องคู่คลองได้ตลอดชีวิตแต่ถ้าในบางวันต้องย้อมผมไปทํางานเมื่อผมขาวเริ่มงอกใหม่และอาจจะต้องแต่งหน้าในบางวันที่ต้องเข้าประชุมหรือร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ะ จะทำให้ขาดจากความเป็นพระอนาคามีและเป็นภาคิกทาคามีใช่ไหมคะเพราะมีมไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้ยังเป็นบูทุชนอยู่คุณอย่าไปคำ ว, ว่านะคุณเป็นอนาค า, ม, า, า, คามีเลยอนาคามีจริงไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเขาไปบวช่ล้วคำถามต่อไปจากคุณ อ, อัมพรถามพระอาจารย์ค่ะไปงานศพประมาณสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมง เห็นผีฉันถามว่าพอจะรู้ไหมว่าห้องน้ำวัดไปทางไหนผีก็เอาใช้มือบอกทางไปห้องน้ำดิฉันก็เดินตามที่เขาบอกไปแสดงว่าอย่างไรคะที่เห็นผีตอนกลางวันคะ่ะก็ผีจริงไม่หรอกผีหลอกไม่จริงเลยว่าเห็นนะคำถามต่อไปจากคุณ The Multiversal Unity ฝากคำถามครับ ถ้าไม่มีเราบุญบาปที่รวมผลเป็นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความหมายใดๆเฮ้ไมมันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่ใจบุญบาปมันอยู่ที่ใจใจเป็นผู้รับผลบุญผลบาปไม่ใช่เราเป็นผู้รับผลบุญผลบาปเราเป็นเพียงแต่ตัวสมมุติขึ้นมาพูดแทนใจนั่นเองคนจะพอไม่มีเราเราก็ยังมีใจอยู่ใจเป็นผู้ทำบุญทาบาปใจเป็นผู้รับผลบุญผลบาป คำถามต่อไปจากคุณมินกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะช่วงหนึ่งหนูหยุดลักโปรเจกต์หยุดทำงานไปเลยเน้นปฏิบัติธรรมอย่างเดียวปลีกวิเวกรู้สึกสงบสบายดีค่ะแต่พอช่วงนี้กลับมาทำงานดูพอเริ่มต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนสังเกตเห็นว่ายังมีโทสะเกิดขึ้นบ้างค่ะ แต่เกิดมาแ ป, ป๊บเดียวก็ดับไปเพราะไม่ได้คิดต่อคะ่ะการที่ยังมีโทสะเกิดขึ้นนี้ควรฝึกต่ อ, อยางไรดีคะก็ฝึกให้ม่ไม่ให้มีต้องใช้ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาให้มากขึ้นให้ลดความอยากหนคมครับต้องการหนมว่าเวลาเราต้องการอะไรอยากอะไรไม่ได้เราก็โกรธความโกรธมาจากความอยาก ที่เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากเร่อต้พยายามลดนัานาบความอยากความต้องการคุณถามต่อไปจากคุณปัตมาสอบถามเจ้าค่ะเคยไปปฏิบัติธรรมวัดป่านาหลวงที่อุดอรตอนแรกปวดขาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปจนหายพอหายแล้วอยู่ๆก็ตัวเบาน้ำตาไหลเย็ยนเบามีแต่ลมหายใจ ไม่มีตัวไม่มีร่างกายไม่รู้สึกว่ามีร่างกายก็ตกใจกลัวตายก็กําหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกไปพักใหญ่เบาสบายแต่กลัวตายเลยลืมหลังจากนั้นมานั่งสมาธิก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นอีกเลยแค่รู้อยู่กับลมหายใจมีอะไรมากระทบ ก็รู้เฉยๆแต่ก็ไม่เคยเป็นแบบตอนนั้นอีกเลยไม่ทราบว่าแบบไหนถูกเจ้าคะไม่รู้จะตอบยังไงแบบไหนถูกก็แบบที่มันแบบที่มันสบายเนี่ยถูกทําแบบไหนสบายแบบนั้นก็ถูกก็แล้วกันคณถามต่อไปจากคุณก้อย โทสะจะัจจริตเด่นควรบริกรรมคำภาวนาอย่างไรดีเจ้าค่ะพระาอาจารย์ก็ต้องใช้ความเมตตาให้อภัยอยากจางเวนเวลาหวนตุจะไม่จางเวนสัตสัตตากรสตาาัตว์ั้ำลายจงไม่จางเวนกันเถิดหมค่ะคำถามต่อไปจากคุณพันธ่ว่าพระอาจารย์ครับถ้าเปลี่ยนจากเป็นนักสแสดงมาเป็นตัวรู้แทนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไป ต้องละตัวรู้นี้อีกทีใช่ไหมครับจึงจะถือว่าหลุดพ้นอย่างแท้จริงอ๋อไม่ต้องละตัวรู้หรอกตัวรู้ละไม่ได้ตัวรู้มันก็รู้ของมันไปละตัวตนคำถามต่อไปละตัวตาตัวตนตัวมานตัวที่ถือตัวถือว่าเราเป็นกับเขาเท่าเขาเรื่องเลื่อเร็วกว่าเขาเนี่เรางละตัวนี้ แต่ตนู้ไม่ทําไปลากเขาหรอกเขาไม่มีปัญหาอะไรคาถามต่อไปจากคุณระเบียบมีทั้งหมดสองคำถามค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนถามเวลาสวดมนต์หนูชอบเปิดฟังพระอาจารย์เทศสอนไปด้วยหูหนูฟังจิบกําหนดพุทโธ ท, ทางที่ถูกควรนั่งสมาธิอย่างเดียวดีหรือฟังไปด้วยนั่งไปด้วยดีคะก็แล้วแต่เรา แม่ควรทําทั้งสองอย่างเหมือนกินกาแฟร้อนกับกาแฟเย็นเอามารวมกันมันก็ไม่ได้กาแฟร้อนก็ไม่ได้กาแฟเย็นก็ไม่ได้ได้กาแฟแบบอุ่นๆจะจะเย็นก็ไม่เย็นจะร้อนก็ไม่ร้อนฟังเทศก็นั่งสมาธิก็เหมือนกันถ้าอยากฟังเทศก็ไม่นั่งนั่งสมาธิตั้งใจฟังไปจะได้ความรู้ถ้าอยากจะนั่งสมาธิตั้งใจให้สงบก็อย่าไปฟัง คำถามต่อไปคนทางบ้านเขามีอาชีพเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเขารวยมากมองเขามีความสุขดีมีเงินเยอะบาปคงยังตามเขาไม่ทันใช่ไหมคะเขาคงเขาได้ทําบุญเยอะคะ่ะบุญจะลบล้างบาปได้บ้างไหมคะก็แล้วแต่ว่าบุญมากกว่าบาปที่เขาทําแล้วบา่าแต่ลบล้างไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็ส่งผลก่อน บาป<า>ยัง<า>ยัง<า>ส่งผลไม่ได้แต่พอบุญน้อยกั บ, บาบาปเมื่อไหร่ต่อไปบาป่าจะส่งผลขึ้นมาคํถาถามต่อไปจากน้องหลิงหลิงรายงานการปฏิบัติค่ะยังปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะการนอนจำฝันไม่ได้เลยเจ้าค่ะเหมือนตอนผ่าตัดตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าหลักฝันอะไรเช่นกันแต่ยังคงปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะพอมองดูจิต หนูเองเหมือนจับจิตตัวเองเข้ากลงเจ้าคะ่ะหนูคิดถูกไหมเจ้าคะาจับกิเลสเข้ากลงอะกิเลสที่ความอยากความอะไรต่างๆนี่ก็หยุดมันเหมือนกับจับกิเลสเข้ากลงคาถามสุดท้ายจากคุณเอกวิทการที่ฟังมาทั้งหมดถ้าจะเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติธรรมมันจำเป็นจะต้องขึ้นทางด่วนถึงจะไปได้เร็วเพราะปฏิบัติธรรมในเพศคารว่า ค่อนข้างยากเวลาน้อยและวนกลับมาที่เดิมไม่กล้าหน้าคิดแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็ถูอว่าที่สําเร็จการปฏิบัติส่วนใหญ่ก็เป็นพระทั้งนั้นน่ยหลวงปู่มันม่นหลวงปู่อะไรแไม่ได้เป็นฆราวาส น, นะเป็นพระฆราวาสนี่มีน้อยมากคําถามหมดแล้วเจ้าค่ะหมดแล้วนะคำถามหมดแล้วก็สมควรกับเวลานะคืนนี้ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพพเพณฑิจาจรณานะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด